พระองค์พาพิชุสงเดินพ่านตะบนสเกตม่งวงสวัสดีมา <c oughs> ขวบพระสงฆ์เห็นขวบเขปบุตรเขปวดาสเสดจออกจากม่วงสวัสดีแล้วี่ออื่นมาประชุมกันที่ในตะบนสเกตมีรักษณะนีฮงเครื่องพระองค์กเห็น สงฆ์สร้ารายกับทูลถามต่ะผู้ที่เกเกยวข้าเห็นทบุตรเทวดามาประชุ่มกันยุนทสมบนทักเตมามกโงกรับรองเออเห็นกจริงรสงปสงแก่ได้ทูลถามตัณหามันจิเป็นอย่างในนอกผู้ เ, เจลีข้ า, าว่าสมุบบนทักเต มาที่นั่นจบจะเริ่มสะสมมากมายกานพูดอย่างนี้ผลทีจุดกับ่นนั้น้นั่นใช้อิทธิเป็นอของทางวิสาการยุ่เรืองหลักเกือเป็นสิทธิคืนผ้าแลมเขาจะมีลับมาก เมอก็มาที่สีทั้งหลายหมที่บนบนีพบพ้พรพ่อก็มีพระเจ้าประเสริแต่หาพระเจ้า พระเจ้าพระเศษกว่าบว่าผู้บริบุญกว่าผู้ที่เจ้าจะบยุโยจะเสด็จกลับยังได้ไปขอมาจิถีไงมากเมื่อไปขอทัะเจ้าทินดิษานกษัตริย์กับวชักตีวาเช่ น, นเดเพราะมันเป็นสายกัน ทั้งเป็นที่เนี่ยที่มาทิศที่หนึงก็ความนันจะติดกันขันจะจะาหายก็เก่งใจวิเศษได้พอเสร็จยิ่งใหญ่นี่อยู่ในเมืองใดมากเมืองนั้นมีอำนาจมากอากว่าเกิดจบ ข, ของข้ามก็กำลังของมหาศิษย์ยิ่งใหญ่นี้เงินมากแล้วก็เตรียมสะตาวุฒิสมบูรณ์บริบูรณ์ การแจ้งว่าพระเจ้าพิสมิสานก็หวงจะให้พี่อำนาจแจ้งว่าบ่กพูดว่าได้ว่าให้ไปหาสักส่วนเอาก็เลยไปหาสักส่วนเอาซ้ำเจ้าพิมมส า, มาอนอำนาจเกิดไดไปในวิสาขาสุสีขอเขานางวิสาขาที่บ่พ้ออยากมาดู พระเจ้าประสิทิ์ก็เลยพาดมาด้วยราชรถมาเห็นตะบนสะเก็ดชอบว่าที่นี่มีสิทธิเป็นจยมขวางก็เหลือถามพระเจ้าประสิทธิ์เงน่ี้พระเจ้าประสิทธิ์นอองหน่อยว่าฉันนี่ไถแล้วชอบเหลือพระเจ้าประสิทิ์ถามขึ้นชอบยู้อทุจร้าวแล้ว่า ออบอบก็วิีประจวบ p e r c e n ว่ะไปดูฮะดูทีอืน่นจะปั้นปัญหาหักว่าทีไรว่าสอบก่อนเอามาเอาิตีนี้เสียมันอยู่ทีนีเสียว่าอย่างนี้แต่แร ไ, ไปดูทีไรก็ว่าสอบกระนั้นใจสิสไปเลิ่มตั้งบ้านติดสิ้งให้งงลงหันผลทีสุด คนทั้งหลายก่อาศัยทรัทพ ย, ย, ย์ของสิดชแบบี้ง่ายกั้ากันย่อยเขกีปอยู่ก็แรเป็นเนืวองสะเก็ดถินแดบทั้นที่เลยเป็นมั ง, งีมล่ะเชียงว่าอันพวกเลากันหาผ้ากันทําบุญดี เทพบุทเทปดาขจะมานิยมสงชอบมาไว้ใช่ทอด เ, เล่าเลยนีความสงบเย็นสิ็นสุกถ้ามาขา้าขายอันไหก็จะสมบุรณ์บริบุรขึ้นได้เห็นีหจกางหลับเล่าําบุญเร่ากวางอาบุ ญ, บญี่เร า, วาเพวกเทพบุทเทปดาพวกที่อาศัยบุญ ้องไปหาหนุ่มอัธนาแับขอมนุษย์พอถ้าบุญว่ได้แล้วแต่ ว, ว่ามีฤิมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดี๋ยวมานุ่มอัธนา้ำเท่ า, เากระ่าวกวาเล่เป็นผู้ใดบุญเป็นผู้แรงปันไห้เท่าก็ได้บุญฤทิ์เป็โดโจยหนึ่งขึ้นมา ทางสิ่เลาก็ได้ทาเอาของเราอีกส่วนใหญ่อยู่แล้ว็ต่ยังมี้อสีส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งมากเพิ่มเติมมาอยีแต่ถึงว่าเราคว้านผ้ากันตังใจทําำถ้าจะว่าแล้วยังพระพุทธเจ้าว่าวันออกพัดผานว่าพวกเจพยุเจ้าเจพยุดานั่นละ มาเยี่ยมยี่ยนหลายพระองค์พวกข้าวเขี่ยนติสตัวบ่อห น, น้าดให้ทำความเที่ยนแสดงความที่สียินดีกับปลอกเทวดาที่เวมาอนุโมทนานั่นให้เป็นสมของสม บ, บุญบริบูรณ์อันพูดอย่างนี้เฮ้ยเนี่ย ยังหลวงพ่ออาจารย์ทั้งสองคือลุงพ่ออาจารย์ใหญ่ซอาจารย์ใหญ่มันหันมือวันกันสี่เพินส่งเขียนไอ้ป้าก็เลงค้อมปากค้มเทียนเน่้อย่านอนกันเวลาจังสี่แต่เพินก็เฟินว่าไปเดินวน ก, กมุมบ้นอยงเดีวยวจะอยู่ชะลาหูฟาจะมาสุดผาห น, น่อยมันก็เนื้อ ขาเดินมนียมนรังพลนามนเปนแน่ไปแค่ไย่ไปตลอดขึ้น่ะล่ะใครเดินข้ามจุดข้ามหยาบตัวมมีสาธนี่ล่ะหัเผาก้ามหมอข้าเฮาก้ามร่องข้นมนิดข้าใหญ่้ามรหมหัวอไปอกเพราอยากบุญอกเนทั่วผู้วาจาร์เป็นผัวแล้วก็จะิไปืคมเป็นยังไี่ะ เอาไปเพียง่าเจ้าไปคิดว่าในนั้นเพียงว่ามากว่ปพวกเล่าท้ากันนี่สักท่าในการสี่การตั้เจตตวหน้าไปตลอดรูปได้ในเงี้ของปลกเล่าเป็นเที่ยมสีด้แบ่งปันบุญกุศล ไอแกบอกเจแปวุฒิาดาพูดสิคนอยกากน่าอนุตโนธนานันอยูด้วยเป็นบุญใหญ่เองยั ง, งกง่าแล้วดอกนั้นก็นยังพูดเป็นบุญแมกาญสีโบอนอนว่าเป็นกกบาาุญนั่นใหญ่เขาบอกกันว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยได้ไหวพระพุทธเจ้าโบราณสิคันนี้นั่น ก็คือภูมิทิเจ้าเผินทำความเที่ยนต้องการในสำเรในในสเรนักไอเดียสมรสนักผลเป็นระมุทิเจ้าอยู่ที่ศีรษะบ่ได้นอนบ่ได้สันอาหารนี่แ็่เดินกับนั่งกับยืน อาหาหน่ะก็วัดสันละนี่ฝนก็เลยว่าได้สาเร็จต่จอมาฝนเห็นว่าฝนเีน็นท้องท่าว่าเนท้าเข็มคมเที่ยงท้ากายไอ้ความาา<น>าความทุกข์กอ้กลัมากนั่นว่าได้มากเกิดฝนมีอยังดอก มันได้แค่ทุกพระองค์เห็นยังสิพระองค์ยังได้ทานอาหารบำรุงกำลังชนประหอดเดืนดหกเท่งส่นได้สังจกท่านตัวของคนเห็นพุทธเจ้าเหมือนกับผัสจันทร์อันสว่างบนฟ้างสนก็เลยได้กำลังและผลได้ไปนางในส่วนพวก ที่ฐานว่ากันเล่าว่าใดจำเร็จเป็นปราพุธิเจ้าในการนั่งด้วยเนี้กระดูกและเลือดเนื้ออทีทุกอย่างเลือดเนื้อแฉะแหงนร่างกายจะแตกขังไปแฉะกระชากโรจะบโลกจากที่นี่ คนนกที่สามอย่างนั้นนี่ละคนก็เลยนั่งไปผลที่สุดคนก็เหนื่อยแล้คนนักสิงไปเป็นพญามาณซะแล้วอันนี้ว่าพญามาสมาลบคนที่ละขันขาย่างว่าพญามาสแหมนอันนี้น เพราะเพิพ่น่อถือร่างกายว่าเป็นตัวเพิน่นย่างีว่าเพินพ่นให้ชื่อเพิ่นเป็นมหาบุรุษอาชานาทมหาบุรุษเพินเ่นว่าเพิ่นเอาสติเป็นตัวพตเพิ่นสติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกรู้ยังเฮาี่ยู่สุดคนนั่นละ นันแหละสีอันนี้ละเป็นตัวถึงตัวเพิ่นอาจจะนั่งกนชื่อของมาหมาจะนเพร่ะน่นาใจคิดนันเป็นมาสัตว์สีมันเป็นของลูจักใจคิดเหมือนกับเพบ่นจะปักหมยนนั่นไปมาจะวิ่งเร็วเมือ่อเพว่าหมักหียนก็บอกวังล่ามันจิตกหรือบอว่างว่าได้ คิดมากเลยว่าตัวคิกมากนั่นล่ะจังว่าเพื่อนหมายเอาใจคิดหนึ่งีมันคิดหนึ่งิดมาเอาความดูจักคิดเนึงตัวเพิ่อนร่างกายมีเพิ่อนได้หายเซวาขันธรมาอันเนี้ยเป็นที่ไรไงงั้นย่างเซวา ปัญญามันมลบปัญญามันว่วาปัญญาวัสดีมากระเกื้อวัสดวัสดีกัะเกื้อคว่มว่าสมบายนั่นละเ่อมันเหยขึ้นมาเพนะให้เสือวัพวกอาติสามกามันและกันธมานมาลบเพื่อนเอาลากกายเป็นมาก ยังว่าพญามาตถามพวกในพน้นหิมารก ถ, ถ้าพญามานว่าแทนบัรลัางแก้วนี่เป็นของไทยเนี่ยพวกเสนาม่านในพ้นม่านยอมอ้างว่าเป็นของมาราชเจ้าพญามา น, นี่เยียใช้กับเป็นยี่สิ ไปทำพอว่าเป็นแทนบรรลั่งของพระองค์ ต, ติดตัวไปพระองค์จะปพวกพญามารก็เลยบอกเป็นของพญามาร น, นี่แหะเมื่อหากว่าพญามารถามหาพญานของพระองค์ก็บอกาจะเทีมมีอยู่พรเห็นอ่างใดญ ปัญญามานถามพวกอิปุนุโยชานไยกรว่าเป็นของปัญญามานของมหาราชเจ้าก็กล่ า, า ว, าวาขันธาม่านกล่าวว่าได้แก้ขาแก้ตาหูแก้กาชิน ม, มือทุกอย่างขันไปว่ากองก็เพื่ออธิบายสร้างแล้วนี่ล่ะชวนโสดที่ภาพโดยถวาย มัตยค่าแปดกรรมว่าไหโพงออกไปกินที่ร่องนั่งรัชลูกก็เมื่อเหล้วจับเอกาไปขาแน่นแล้วพยังเอกาไปส่มโพ่นี่ยมันก็เป็นมา่านีิริศเสียเนียวอันเนี้ยมาอ้างเข้าไปจะถืนมันเลยอ่างซึ่งสาต่อ ของพ้นม่านกับสาแต่ว่าแมนเสียของสาบนข้า ง, างไปแล้วอ่างถึงหูกองพ้นหนึ่งกับเอาไปเลยแต่ว่าแมา่นเนี่ยนี่อันนี้เมื่อพญามาถามพระองค์เมื่ อ, อ, อว่าเป็นแฟนบัรลั่งของท่านท่านได้เสร็ว่าเป็นพญานมาหลับร่ององค์ก่อนีอยู่คนที่สุด พอเงี้มันก็เล่นให้เขามากเบิกมาให้ฟนพอจองฟงก็ยังได้ระลึกถึงนางหน่อยเท่านี้ผู้หญิงรับอยากนำไม้ขามของพระองค์ไปองค์สินยุคอยู่เศ้าสูดีไปเฉยๆนางเลยพูดขึ้นมา แลมาเหตุนานเกเก่าเกศสีสันนุษย์ทีัศษิษา์ลูกเจ้าท่าบุญปาศรัตเป็นพระพุทธเจ้าไดา้ญาตินานเกเกดมากความมีเกเก่าเกศสีของข้าพเจ้าอย่างนี้ละเรียกเรืกระเลยดิบออกจนวม ตนใหม่ผู้เขาควมทีคนหนุนชาพญามาสมัดย น, นช่างนารักชิดิ้งง่ินหลังหยยกขวป้าวสั น, น, น ก, กินนาหยักแกนแก้วขวบพิซซาล่ะสกุมากาสันควมในกระดายควมสั่งนาลักชิดดิ้งง่ แกกระมี่ให้เนี่ยกระมี่กินปลอกทีก่ค้ น, ค น, คนมันก็าหลายลวะท่นนั่นคนนวดกินไปให้เป็นสัตอันนี้ควบกิงว่าวัสะวะดีม่านคนบสบายยุคนไปนั่งเพว่ามันก็เ น, นื่อยงินละไม่ให้เสว่าอธิสามขาล้าว่ายินเป็นพญามารตัวยิีให้เขาไปหามัดชุ่ม่านชือตัวตาย คือเกิดขึ้นมาอันนี้กับขันธมานกับคือแกงคาินเมือ่อเป็นกลองของลูกเคื่องอาหารเอาเขามากองนี่ล่ะมันเป็นกองลูกนี่ล่ะอันนี้มันกับตําเล็บไง พีจ่าถึงวนนงน่อยเทร์ีนี่แหะพอเทร์ี่เร์ีนแปลว่าเทร์ี่เซนดหน่อยเทรี่นดใหญ่ดุติุติุติเนนน่อยอุติแปลว่าแม่นหดินี่นดน่อยเ็นดใหญ่มันก็บ่มีลละงกบ่่าว่ามันี่เนแค่เดียว เหว่ามันมีน้นหนามขันซึ่มมาตุ่นกับแผ่น น, นิดินนั่นละน้ำขึ้นางยูง่รได้มันก็เลยไปเกิดขอหนึ่งขึ้นทา ง, งความุ่นยางเขาหเียเข้าว่ะขอไท้แล้งเข า, เขา ว, า, ขขวางเสีอแล้วก็ย่าินเดียกว่าข อ, อยินเดียนี่สิละอันนี้แสงว่านอกจากขอเราตองมีนะ้ำอันนี้น้ำนะกันก อาศัดินหลานดินมันผลคิ้วซ้ำคืนอย่างว่ามันมันี่นดนอยนด่ายหลนเป็นเรงสี่แต่ิว่าขอน่อยของ่ายยังเขาว่ากันดีกัสีได้ยอะกฟับบอกนดนัน่นนอยกรณีแผ่นดิใหญ่เรื่องสี่อุดะชีแม่นำหน่อยอดีแม่นำง่ายเรื่องี่เหลอันียนแม่น่่น่นี่ล่ะ ยังว่าทอร์นี้แผ่นดินหน่อยเดีเจ็บกายปัจจุบันนี้ผู้หน่อยคนเท่านะั้รูปร่างกายมันเป็นแท่นหินคน้นในแผ่นในแผ่ น, นยิ่งเป็นได้หน่อยเกิดไม่แทงแท่นหน่อยอย่งที่ล่ะทอร์นี้แผ่นดินไงจะเกลือคนผู้ไง มันนี่คนี้อันทีมันง่ายน่อยตามกันเดี๋ยวแผ่นดินหอยจะดินง่ายพอแผ่ดินห่เดียวจักว่แผ่นดินยุ่ยเสียทีเป็นแผ่หอแผ่นง่ายวุตตะที่ว่าแม่นานน่อยก็คือว่านนอยมนละมันกบใจน่อยยังเลกน่อยวุตตะที่แม่นานง่ายคือเอาคุณง่ายมันกัใจง่ายอันที่ละมันละแม่นังี่ันะแม่นาใจพี่ มันว่านี่ น, น, น้ำเ็ดหอยเป็นน้องเป็นน้ำไปทังสันี่ะพระ อ, องค์แจ้งได้ว่าพิจารณาเรียมเพิ่นเด็สุนมากยังวันนา่งน่อยสะล่ี่ก็ได้รับน้าหยาดน้าน้าหยาดเต็มมุกบนผมวันน่ะนั่นเนพิจารณาธรรมาสามาุดสนะั่ามาสงมากเลยการตีเพิ่นพิจารณาธรรมสีเพิ่นสังมาก ว่ามันไปพิจารณาบัางกับเจ้าเป็นป่าชนะเป็นพระพุทธเจ้ามากว่าท่านออกบาตได้เกทดขข้าสงไขนนี่ออกบาตให่ก้อนทั้งหลายรู้ว่าเป็นผู้ป่าชนะเป็นวัวเจ้าแหละคือว่าจะเข้าสงไข ที่ล่ะเ็กับเก่าร่วม ก, กันนจะเป็นที่แปดพวกกระชงไขนะ่น้าเพราท่านบอกว่าบอกว่าเพื่อเป็นเก่างไขนั่นล่ะคนวอกไปเก่าจป็นท่นบอกคนเบิ้งคนหั น, นนะและเมื่อกูเมื่อเล่า นั่นก็มีนิ้วค่ากันง่ายหน่อยต่างกันเท่านั้นใช้สามใช้สามห้พอเลาหรือสามให้เล่าแม่เลาหรือสามให้เล่าหรือเล่าสามเองวันที่คนจะว่าคนบ่ได้สามเพราะแม่คนจะเม่่ได้สามพูดตายมหน่อยใช้ได้สามให้นั่นเป็นเพระบุญสรุนันที่ กร่จตินสาลักษณะสามที่สองเราหนีไสแจ้งหายไสสามหายผลก็ไว่มีไสสามหาบุญมาสาอันเนี้ยพอผลวัชเลตัสทะลุเนี่ยผลวัชท่านหูจัดผลจะพอมีงา่ายนี่สิละผลดีสุดหอกบว่าผู้มีตรวจตินสาลักษณะถึงสามที่สองลักษณะ ลักษณะง่ายเนี่ยว่าเป็นผู้สูงขวดาสายอยู่ในความเป็นรารวะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถอบรรพชาจะได้เป็นศาสตราในโลกว่าไปจําบ่ดิจํา เ, เลยหมอกระช้าอย่างนี้พ้ อ, องกระเที่ยวเป็นความจริเนี่ยเราภางาบุญมาจนในบริบุญเลยภาษาไสาลักษณะ ทุกอย่างยังเนี่ยเราสิไปสางสิบเหตุห้มันดีไปกว่าดี้แติังสิตสัตวลูกมันไม่เหญ่ดาว่ได้ดอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสัตสรเลูกกับนิสิตผู้บริบูรณ์โดยสวัสดิสารลักษณะนี้ละเราก บ, บริบูรณ์แล้วท่านไม่พอใจฮะเนี่ยพอใจในส่วนที่ได้สามบุญมาก น้ำใจของท่านเลื่อยเงี้ยงใสความเหนื่อยหิวทั้งความก็เล่น้อยลงไสเหมือนยังเล่าเป็ี่ยนภูบไปสัมงผงัสเม่อเห็นมันสีแล้วเป็นว่ายกไม่ง่ายขึ้นหามันกับเมื่อยหลายนั่นแหละคันเนี้ยข้นพระเอินมากครบทุกหันเป็นเยืมอวันมาก ความอะไรความเดี่ยวเขาหายเวรวัดนี่ผู้มาซอยหลายเสียขึ้นได้ด้วยเอาขึ้นได้ดีนั่นแหละความเสียห้าดีใจในของเสียว่าจะไม่ได้บัดนันกีได้หรืดีเกลนว่าหายเมี่อเห็นว่าบุญสิจสามตัวดบุญนั้น ของเสเยล้ได้เป็นอภคูติเจาแล้วเลยหายเลยท่านก็เลยท่านสั่งสติไว้ในสั้นจมูกก็เลยจงอยู่ไลยว่าเปของว่านู้เนยน้ำหนินนนวผลยืดซึมอาการ่วมขอไปทั้งไมได้ก็ได้สวามไงเลยเกิด นี่ญาติสินหันอยากลู้จัดล้างก็รดไปดูกับเส้นสละหัานอย่างแคาดหนึ่งจิต น, นั่งตัดจะลูบอยู่นัละขาดที่สองกับเป็นผลิตขาที่สามกับเป็นอสื้อลำบดิษขึ้นไปจ น, น, ปนคนิดขาดเส็นสายหลานขนิจจุดไล่ลูไปจนวัดนับขาดประวั พระองค์กัจได้ว่าได้มีญาณนะแต่ว่าผู้เพ็นนวาสานุสติญาณเป็นญาณทียบนอกนั้นถ้าอยารู้จักความบ่เสมอกันงยหน่อยจักสมบัติความรู้เป็นควรามอันใดความสุความมีโลกควมีโลกเพทลรายละเอียดว่ามันเกิดมาจากกรรมสิ้นสุดเองความสั้งระดูด้วย ความทา้งสิทขั้นสิทธิดตอนั่นกับข่อนูกปลูกส่วนใหม่เตยว่อ น, น้ำวสมุนมันกับว่าง้วนคุณวัตถุมุนมั่นกับว่งนอันนี้ก็ที่เตื้อความนั่นกับเป็นยังไงเตื้อดูแรกบอกฤดูฝนมันบสมควันมันก็ได้เป็นเหตุหตร่างกายวัตถุุนสได้นั้นกับส่วนใหม่ที่ปลูกเห็นยังไนี่ละ เพิ่นก็ยิ่งเพิ่นหลายฮะเนี่ยนอกจากเพิ่นยิ่งมาตั้งใจพิจารณาเรื่องความเาป็ น, นเด็กุติเจ้าเล่าลูกฝันนี่หรือเป็นปรูเจ้าหรื อ, อ, ร อ, อยัยอาาคอ ง, ค, งความปราทับนิสิตคัดกรออยู่อะไรคัดกอมอยู่ในอาสวะอาสวะพื้นกิริเจ้าง้อมองของห่อใจความยงยงของห่อใจเพื่อต้องจิดนันเรีย่ละมันทำไม่ได้ มั่มองเลยหมึดมนอยู่น่ะหยุ่งเหวี่อยู่น่ะชั้นหองหยุ่งเหวี่ยงความคิดนี่ล่ะดังนั้นยังความคิดยังนั่งกินผ้าวพระพุทธเจ้าไปบวชเป็นทุกข์เสียใจหลายสถานว่าเสียใจแบบนั้นนมบอบ ตราดซ้ำอยู่บ <ule> <th ul uros>. ่ดีให้จำเรื่องง่ายแบนี้ตั้งใจว่ตัวกับรถที่รับมีเรื่องใไว้ตัวคนับมาถ้าเดือดม o ไปดูเข่าไปที่นี่ เง่าพองด้สเสล็ดเป็นพระพุทธเจ้าไปโปรดพระเจ้าชูชื่อคณ ะ, ะพวกระหลัดครับจะคู ก, กบไปบอกไปบอกกับวาดีใจแชื่ว่าคำพูุที่เจ้าไปแลเราพันเกิด น, นี่ขึ้นอยูด่ดีดีมากคณะจ้าออกไลหลพันสาสลวห้เนี่ยว้ได้บนในสระ น้ำต้ไรจะเล็บมีหังพอหยุดเจ้าออกนี่แสกั บ, ก บ, กบจิตถึงอำนาจแหลกหจดน้ำตาออกว่าห็นพัดได้จะเป็นการลำบากแลวเินแล้วนี่หละนี่ละกันใดความเสี้ยวคิดมั่กไก่ย่างล่่งชิมผ้าโบ มัดก itas, ันยุดเงินหายใจหยุดมัดหยุดหยใจอินทร์ละนั่นแหละเป็นอิทธิวิชหลีวาใจยุดใจหยุดที่นี่เมื่อพระองค์นีงานทั้งสองเกิดขึ้นแล้วใครเกิดจิที่ง่ายหระอยังหลกเพามว่าวัิปินโรภูติเจ้าขวาซะวะ ทันกับกำลังไปเบ้งใจนั่กับมั่วหมองอ ย, อยี่หีฮั่นพอวัท่านในซารมานมัน่นโพงเจ้าใ เ, เ จ, เ ร, เจริญปฏิจจาสุปัาสะรับนี่ยฤิชาสินโซมมาจะตายว่าก้อตายมันมาจากไสนนั่นมมนตายของสูตรปฏิจจาสุปัาสะรับ โพงไรลูใดบอกเรตายนี่มันมากจนจะเก็บจะป่วยจะป่วยเป็นผู้สัางให้มันตายแล้วก็พิจนาบองคอนพู้ว่าใครมีโรคใคเก็บไว้นี้เอียูุไปจนดหยาบเป็นลอยลอยเป็นไวน์สันียไก่ลอยสันียเนี่ยแต่พอมันมีโรคสัมเีโรคขืนว่าท่านขืนกัน หลกดแห้งก็ตายตายเตายมันตายระโรคมันบอกถึงท่ารมพอถึ ง, ถง ว, าวา่าท่านควนจะตายหร ล, ล่ะเดี๋ยวมันเกิดเก็บเกิดป่วยกนตายดมันก็เป็นสิงี่ทีเยกว่าเก็บป่วยมาจากไข ถ, ถามมันแกมันถามนีม่ล่ะ แต่เพือว่าภูมมันเจ็บไว้ใจจะ น, น่อยก็นี่ภูมนี่อยัอยิ่มากเป็นพระองค์ก็บอกว่าท่านก็นยั่งสบายยัง่งกระบอกว่าแก่นั่นแะทิเกิดตามเจ็บไม่ให้มาตายไม่กลสางตายท่างก็ลูกอย่างนี้ท่านได้ถามว่าแกมาจากไสแก่มาจากักเกิดที่ละ เกินั่นหละทางแก้เกิดไมาจักใสเกิดมาจากั ก, า ก, จากพบพบแปลว่าพบหมายชื่อเข้าหมายให้ไหมหน้าเพาท่านตีเหตุเขาก็ออยึดถือว่าแล้วสิ่งเหตุอยู่พอเราหมายไว้แล้วผลที่สุดเราเไปเหตุทำไมเกิดึันในแฉแล้วการพบคือความหมายความหมายอันนี้นัน่นมนเกิดจาก เขายังเป็นมนุษย์อยู่นี่ละเขาเลยทํากลับมันไม่ได้เราถือกลับมานั่นโยกรรมทั้งปวงจะถือเป็นกรรมดีก็สร้างกรรมชั่วก็สร้ามถือว่าดีว่าชั่วก็ตามต้องเป็นพบทางนั้นเหมือนยางเสียดครับเราประวัติเลี่ยงหอบพอไปผูกป่อยป่อยมบเทียนแอวลับมัน ไปซอเปือบตับสายมันออกนี่จะล่มันสักพอดีป่วยก็ได้ใจเป็นจิตยุ่อ่อยกัได้ตายแล้ไปเป็นดวงเจ้าอ่อยนะั่นมันคิดมันเป็นขออยู่อ่มันก็ได้ไปเปอยอยกิดปเป็นดวงเจออ่อยอยู่ซะยามจิตสูเหตุจบเป็นสร้างซึะสิ้ดัดกระสินขออเุกุจไงเ่วกระอักผ่าควัน ด้านประเทศเพ็ดเสาเพชรหสิสีแจนมั่นเล่ยพอดีไปนักเพชรหูเพรท่านแล้วก็เล่ยใจเป็นห้องหยูเลยสายเลยไปเป็นทัศเจีย่เจียัศเียอยู่ดีผู้ใดว่าท่านสายจะสิเป็นผู้เป็นห่องให้แกเด้อ แก่เด้อผู้ขาตายแล้วลรวมาเป็นกับแก้แล้วแวกว่ไม่ได้แล้วควยย้ไลสันายุเฉียนเฉียงไหนจิตยุนีแล้วยุ่งเฉยแม่หว่วงใสมันก็ได้จะเกิดสันจันใดพบชุดพบห่วงจะเป็นหวน่ ว, หวงแค่หไหนก็เป็นสิดถึงของบุคคลผู้หว่วงในสิบวันถูกห่วงนั่นทางนั้นยังไรก็พบว่าจะสเพื่นถามอยู่ เพรู้ได้ยิ่พบมาเซอพปท่านคา่อบหมายคอบยึดถือเป็นผู้สังพบอุปทานมาแทใสมาแท้ัหาควอบอยากได้หมายจังเด็ไปคอบยึดไปเรือยหมายไปทั้งสังส์้หามาจากใสตัหามาจากด้วยนะเป็นผู้สัาง ม, มั่นส่างสันหา กับเคื่อเห้านั่นละแต่เวทนาหาะเหล้าเป็นผู้ดีไป ย, ยืนมันรสว่ได้มันอยากได้มันอยา ก, กนี่มันอยากเสพมันกับไปตามควอบอยากขเขาเข้าน่ะเดี๋ยวเวศนาเข้ากับไฟกนันสั่นเลยนั่นสัญหาด้วยเวศ น, นาแมนด้วยทงมงนั้นเวศ น, นาเป็นผิดคำดัดเวศ น, นาเดยปัหากัหายต้องอยากสาห์นี่ละ่ะ เป็นใาเวชนะมาจากเศร์ลยมาจากหน้ามารูปกับือนามกับื่อใจรูปกับื่อกายนี่ละนา้ามารูปมาแท้เศรหละเวชนามาจากปัญจตนะเป็นไหมมาจากภาษาชือรูปมากกะตกตาสียอมากกะตกหูอันนี้ สามมาจากอัตนะอัตนะมาจากหน้ามารูปกดคืองมืมีรูปกดนิสานมีหูงสีละนามารูปมาแท้สมาจากยิ่งย่านยิ่งยานแต่ข้อมืออยู่กแมนความือกัแมนนั่นะยิงานมาแท้สมาจากสังคานสังคานมาจากใสล่ะมาจากอริช้าอริชามาจากส่โบหินสีมาโอ้ยต้สายมันยิ่งน้อ เพราะว่าไปอยู่กับบดเก็บป้านสายคุณหมุดอกนั่นนั่นตอนตายมันดอกพบมันจะแสแหละมัม้ยข้าวขมูนนี่ยความหลงว่าเงื่อนดีหน้าดีให้ดีฝันดีเงื่อนดีชิ้นของดีเนี่ยไปหลงสังขารเนี่ยจะมันว่าาวว่าจะมันว่าเสี่ยงเนี่ยมันหลงฝนเลยพี่แกหน้าเสี่ยงสังขารมันบ่าเสี่ยงนี่แหละ ได้ว่างได้นะว่างรักขานมือว่าเป็นตัวตนได้ความมือก็ได้กินใหญ่ขึ้นตอนริษัทกินได้ผลดที่สุดคนละได้ขาดคนก็เลยสิ่งน่สาวะเดียวกันกับกุฏิเก่านี่ก็ยังสอนยังที่ละสอนใครรู้กันยุ่ยยงที่ละย้ำชื่อว่าประวัติของพระองค์ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สอนกัน สอนให้รู้อย่างนี้เ้าหากวิสุทิธรรมอาจเสียประหยัดสนทุกแตยังยังหลักทุกอยู่เื่อจังหวะว่าอยากตายกินจะท้องตายนั่นล่ะยังสีอธิบายม่เต็มเจ็จยังเลว่าวตายแเา้องตายเป็นอาหารอยู่สุิว่าตายเฉยมันคือกันนั่นล่ะอันนี้ว่าบ่อยากทุกข์เแต่ว่าหผยึดบนไดาอยู่เหให้มันทุกข์อ มันก็ุบเานั่นะงการเนของเียมเ็ดดืตียมัเ็ดหน้าวอ่ะปลวๆีหนานเ็ดอเรจดไรกิน็ตากราคือวมันบจเียกินากินน้ามากินดือดขเห็ดทังกินขี้นี้ก็ว่าเร็วๆขักินก็ว่าวๆขัเ็ดยังหละมือนึงเวลาัเสียมันบบบยยหองวกดม เต่นชาบ้ได้เห็นมือเส้าขอแยล้วมือเส้าไปพอบ้าพอดีอิกทบเกือบทุเกือเป็นหยัละเ็ดเผาแล้วเห็ดอาหารแล้วของว่าเล้วนั่นละเนี่ยพันหับ้าจะพันคำประเทศอิฐทบเกือบทบเกือบเป็นหินยันละเห็ดอาหารเห็ดเผาแล้วเอาแล้วแล้วหรือเจ้าพี่มีหลังกับเอายุ้งันหลุดว่าหินนัแล้วหว่าเจ้ปากว่าเล้วแล้วเป็นจะหนีแท่ส่วนบางหยาก่วนเนียนหยาล้ำหอมก่าตัวเล้วนั่นละเพรามันโมเทียมเนี่ย เพรว่าโลกมันเป็นสาเบื่อไนหลอกลวมกันไปวาเลีว่าดีว่าพิชเชนสิจเป็นจุกประเด็นคือว่เห็นนีุ่พแกเมาอย่างน้ำิวาเลี่นั่นแลวาเลี่ยนันหลมันวาเลีมันเป็นนาเบื่อไนเป็นนาลาคาดเข้ากับพิจาร่น่าให้มันเป็นนาเบี่อไนนาลำคาดเลยไหมเดี๋ยวว่ม่อนี้เล่าเข้ากินดย ใช่จะพ้อมกำหนดมันเดือนายเหรเพ็รินไปชื่อๆมีละถามว่ามันจะขานว่าท่นแสบดัดคือจังนี่ต้นรอว่าพอสรีวุท่านวัดาาท่นานใดอรหันท่านได ม, มีพ่านเลยทันยิมอยู่เป็มู้อี่ยังเียงไปเป็นผ่านนะทีว่าท่านใดนครับออกื่อๆหรือว่าแต่ทันิมผานมันเราเห็น นี่ความคิดไปโทษภาษาลิบุอย่างนี้ภาษาลิบุเลยว่ะเออฝนิีพานเราก็อักได้เลียบร้อยละภาพแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราทางา น, นได้ฝนมีพนนัดนะเจ้าพุ้นเพราะว่าท่านหายาจา้าเราเอาไฟจ้ามีที่หอกทงานเราแลีๆๆ่วๆทำไมนม่จ้ามแลีว ๆ, ๆ เขว่าท่านหายเ่ยปัานะแตกก้อนเป็นว่านี่ล่ะท่นก็แก้ของท่นล่ะแค้จริงน่ะคับเพื่อว่าร่างกายนีล่ะมันว่าท่านแตกดับมันว่าท่านหายไปเขาเลย อ, อยู่ในมันนต่ก้อนมันเป็นเกลาดุ้นแล้วนี่ศีลกระเพาะต่างลงในมัน่นบอกราสัสกับซึ่งพระแนกขาเมื่อนี้มันเป็นลูก มั่นนาระเป็นผู้วอกขากมีสินตัวปานานอจินนาบบใหลักษ์กันเอามือเลยสิไปรักวอกขาแลยสิไปย่างเอาตาสิดูก็ไเ้เกินอันวัดไปตั้งสินตัวอ่ิน้าลงได้ยีแั่ม่มี่ลูกมั่นก็ไม่มั่นใจตั้งตัวอภุมาจาริยะหรือกาเมต่อขกันมั่นนอยาตายมั่นมี่แหละเปเซี่ยวหยางไปเป็นตัวสินตัวการหรืออภุมาจริยะได้ มันเป็นยังสี่เลยมรนกมันไถชุดอยู่ยังสี่หล่ะเันว่ามีร่างกายหรือว่ามีบ้อนสิวไปตั้งสิ้นลงได้พอตั้งใช้ใจบ่ได้มันว่าเมนบ้นสิไปเ็ดแต่มันจิอย่างใดมันก็สร้างหลงในกายจเป็นสิลตัวมูซากระปากกระเป็นกายมีละมันออกปากที่จบที่สุดมันกายเด้มันออกนี้ชุล่ากันเนียน่องปายลืมปากมันเป็นกาย มีกาละพ่อกับแม่ตายเนี่ยบวกกินอาหารจนใบยเยชิ้นแปดชิ้นสิบเนี่ยอันนี้นักจักเกะก็เลียงกายว่าว่าให้เอี้ซอก่วนรับคัหล่ลอและวามความความความความของใหม่มันเป็นเลียงกายมาล่าก็เลียงกายกรรับกายเนี่ยพุชยาก็เลียงกายกายนอน อันที่อะไรจนาอันนี้นูน่นเลยที่สิ่งโพสเป็นเรื่องของกายเม็ดแคาจะรูกับจับนันเรื่องของกายสิ่ของกายเม็ ด, มดนี่แหละที่เราฉันว่ามีกายเป็นที่ไปจำสิ่งอาสิ่แปดสิ่งเท่าไร่งเจี๊ยบลงวันไหมันเป็นทุน่นอย่างที่ว่าเป็นยังไว่าเพราะว่าท่านให้ทุ่ พระว่าท so ่านให้คาจาไปบวไรจะเพื่อขอว่าสักแดดหลับการว่าท่านแดดหลับใจที่ไปนั่งก็ไปบวไรกับท้าก็ได้แต่ว่าไม่สินโทษทีนี่คเห็นม้ยที่เพราะว่าขามนุษตัวนั้เป็นสาชีเป็นโทษะนักตัวกับมนุษย์คนหนึ่งขาตัวกับเป็นเวลาในขามนุษย์เป็นโทษนักขึ้กันนี่เป็นก็แปลว่าขาบวไร กใหาใหกยก็หายซะก่อ่ยังจีไปได้เหมืี่ละ่ะเีลาะเหตุนั่นให้อกไก่ที่แหน้าให้มันเห็นยังที่ละ่ะแต่เป็นแค่ว่าร่างกายให้มันเป็นเจ่ว่าเป็นส่วนมั่นหรือเป็นส่วนขาดยังที่ไปซ ะ, ะหากวามแล้ววัาอะไรที่ท่านหลู่ยังที่ละยังที่มั่งกับว่าท่านหายไป คือยังอาลิบุตราวเาเพราะท่านหาจขาดขาพขาแรงรับที่ล่ะแต่ใยุไปเ้าอาศัยต่ยินจลามีอะไรเหลือครับผู้ปฏิบัติบวมนไปออกออกแกลงงยังใส่ให้เมยหิวดอกออกใจอ้าคิดที่จะหน้าหลูกแจ้งละเอาฉัานั่นละทนทูกได้เป็นท้องทง่ายๆแล้วเง่ายหีอหิ้วยูโฮมก็ททำได้หน้าก็ทําได้ นั่งก็ทาได้เดินยืนก็ทำได้ทุกอย่างจะหินจะยืนจะทางานโยก็ทำได้ว่าคัดของก็ทำเพราะมันทามือทำใจดวงใจของตกิดกิดนึกท่านั้นให้รู้ว่ามันกิดดิบเป็นผู้สนบอกกิดนี่มันเป็นนะผู้สอนบอกให้รู้ให้รู้ยักฝนมันผู้สอนคือบุญผู้ศอนชือบาสนั่นเรียกว่าทำผู้สนแล้วผู้สน เป็นถาำแล้วถาำกับเพิ่มว่าห้เอาพระเต๋อสัมมานาตาตัวหน้าอยู่นะเข้าตรวจท่าะเช้าเพิ่มว่าไห้ลไฮเอาต้นเตลูกอันนั้นเป็นแต่ว่าลูกเล่นไปชื่อๆลูกสนุกไปชื่อๆลูกผู้ส่วนและผู้ส่วนอ้ค่อเป็นจงเปิดเพื่อนอยู่ชือ่อ เหมือนเราได้เครื่องประดับหม้อประดับเ่็นเด็กปแ ป, งป้งอะไรอย่างน้ขาพ่ออยู่โด ย, ยใมันเกิดเพื่อนอยู่พ่อเล็กหน่อยเท่านั้นชั้ใดอันนี้ก็บชื่อกันผู้สนเราผู้สนั่งก็บพ่อ่วยเพื่ออยู่เท่านั้นบ้านห้าสิบเอาใแก่ เ, เลยว่าอย่งกี่เล่ความผลสุขพอผู้สนเราผู้สนมันเป็นข้า ธรรมดาข้างก็ได้เดินกัเรื่ง อ, อ ง, งข้างละถ้ว่าไปถึงบ้านเดวเห็นไฟสีหลวอ้ามไปฟองในในบ้านเกเที่ถึงเรื่งข้างละแถึงเือนงีกดีไปตะขึ้นนํมามันไดละแคขึ้นไปลาเห็นไฟหลากนไดไปไ ป, ไปบนนอน น, อนัน น, นั่นนังันไปนะขึ้นเวหละชาดหันละเป็นจะหากวขึน้นหันลงอันยีบรอบปนัดบอกว่าแม่นบนเียวไปปินชุกขึ้นนั่นได้ แบบไปนอนบมเห็นน่องหยังนอนอยู่ก็คือกันสบายนั่ น, นละ่ะว่ามีผ้านมั่นก็ว่าพูไปถึงม่านอนแล้วนอนอยู่โดยท่อมโอบผงอยู่ในท่อมสบายว่มีหยังไปทับไปติ่งว่มีหยังไปชิ่ไปอัดไปยับไปแอรอยู่สบายกันละ่ะความรู้มันว่างออกหงมแล้วมันสบายนี่นั่ น, นละ่ะ เป็นละอาสวะหมือาค่สบยจนได้เชีนทางทเจ้านใเียงว่าให้ากันงใจเฮอมาเต็มีเรียกว่าผู้ทบุญ่นเนี่ยบอกเพยจเจ้าคนกมาอนุนาในเชิญผู้คนผู้สมบังีละแตนเากล่าวจักบุญหูจักธรรี่อธิบายสรงว่าท่านเ เกิดเหตุแต่สูมอสีมันกับไรเด้อโงสีมันว่ไงหรอผมขึ้นก็ได้ผมเกิดมันเม่อยางนชื่ว่าเกิดในสาพพอว่าเก็ดไป็มุดขึ้นเด็กจะอาจะว่าอยู่ได้มุดขึ้นโอ้ยอายุมุดขึ้นก็บอกว่าเดใคอยูดอกมานาพักชีวเขาก็ได้ทันทีตอบกันเขาขเกิดเก็ดมันเด็กเขาบุญผู้หยาดแกได้กเจบิ เก็ดเก็ดสี่เจ็ดสิบห้าเราเข้าดิไม่ได้ว่าเขายูดิมีเหไร้ายแคไปแล้วว่าว่าเหตุอไร้ายจะเท่ากันแต่ับมันกาลังไปร้ายล้วทีละเชียงว่าวิบวิห์เหตุเี่ยงรอกนันผิดร้ายกต่มูจิยูกะยับ่านน้อม นี่นียเมีที่อยไป่พอหน้าไปเอาไวนี่แหละที่จะน่าตั้งตัวของอั้งเจตัวสั้นตัั้งเอาชิ้นได้ทำค้าววบา้ไก่นั้ไก่นใครจรินันกาสรสั้โทุกอย่างล่ะ ยงเฮาเสีหน้าเ็กเฮากับไปอยู่พูเด็ดเ่า like กับอะไรความหลักเขมาสอนเจ้าของไว้เ้าช <He> ู like, ้เ so, ช oh ือเ <laughs> ้าชู้เชื่ออกุั้นเลยเจ้าของก็เห็ตามจะเหตบ้านเเพื่อนกับยงั้นอันนี้มันรงอันนี้มันขางอันนี้มันคืออันนี้มันข่งมันกะจกโกสอนโจนโตกจับตัวกโอนั้นก็รงอันนี้กขง ก็น er ่นก <Lo an S 1> ็คืออันนึ่งตัวสัตัวกรบอกตัวยุมกันล่ะบนี้คุได้บอกบอกเคสในยูริอาศัยสมบุนณ์บริบุรอยู่สักวันแต่มันจะโตส่วนโตนั่นแหละ้างค่ำนี่ก็โตส่วนโตยังดิ้งยังอาจจะมาสวนแล้วปาเอาไปส่นตัวขอันนั้นหัจักืบก็เลยจะข้างค่ำใสตัวอีกตัวส่วนใส่ ก็ได้เป็นผู้ในความรู้ความฉลาดยังเฮาสอนเฮาเห็ดบั่นอเงี้ยแล้วก็ฉลาดจ น, นเห็ดเงี้ยพื้นในก็ไดอีกเงี้ยแล้วก็ะไดเลยไปเรียนไปพื้นก็ไดอีกแเรียกว่าเป็นผู้เป็นสร้างึ้นไดโดยตัวรอนตัวเมียไเป็นผู้สอนเจ้าของไอ้ธรรมาเป็นนยายะไอติสสอนเลยเด้ย น, น, นันผู้ใดนายปกครองไปปลูกส่วนหนึ่งกรได สิ่มากกนลยหลายหในตเมีดในหนึ่งหันนับสิ่นหลายอย่นับไม่จบเาทีล่ะนียมาตัวในหนึ่งสบุบมันเป็นเชือไปเป็นเป็นยอดหลายยอดแต่ก็เป็นหลายในหลายหลยออกกไปเอาไว้บ่งในมันก็หลายในเดียวเลยเป็นหลายในใดอันนี้เมื่อใดในเป็นที่เราไปคิกนหน้าเดียวจะใจุกคนยอกกระชั้นรูแก่ในหลายจนผลถูกใด เหนียเต็มสี่มีละเห็ดนั้นยองให้ภากันสั้งใจว่าจะยู้อะไรจะยู้ยู้ว่อะไรเออคืพักกับพักเจ่าว่าขาดพาดลมแล้วมันจะเขาเป็นวิบัติเด่ยัาดตอนน่อมลมสหรอพ่นบานว่ามันยู่เกีบคุ้มว่าองสิวาดพนลมก็อยากตั้งเด่นอยากวิบัติเด่นนนั้นยให้มันร้มมันไม่ดีหลายมันยืดห้องเศรา ๋ยวามันลม ล, งลังงังเีๆันเป็นวินบัติบ่ดีต้องทำขืนไว้ให้มันได้เอาสมมันี่ละทำขืนเอาพ้มดพร้อรมถักขืนไวเอาไฟจนี่ละเดี๋ยวก็ลมนนเนมอลงในนันอยู่บ้านเขาได้ น, นั่นในกีบกระซุมทอไฟ เ, เห็นสันโวยนายอเราวะเห็นเปี่ยนเยียนนันไปดีเพราว่านู้นยุไรโซ้อย่ไรดีดดองศีโวยเนี่ยละนี่ยนั่นชิ้ากระจังเจ ทำหมามสาาาัปา์เด้อตอ น, นี้ไปทไิเจตไปผมนั้นเข า, า, าเป็นขอโซ่เลยมันจะได้่สุดวัวหาสห้าหว่าจะยู้ไปแจ็กเก็ตถุงเก่าหยอกอนีแปว่ายือ้อไปบก่อนยื้บหอดเตบ่าจ็คยื้อไปร้ายไปคนงแต่ว่าแจ็คมือเย วันไม่ส้นวันหาันละงันเห็ุมาไรายได้มีก็ได้ส้นมาไ ร, ร้หรอตอนนี้สิส้นดีมันติดควยหน้ามันงยยั้นคะวนายยิงออกก็นีไปฝั่กันต่างแก้สร้างเด้อเหตุยังเสียนมันละไปส้างหรือว่าขัดสร้างว่าได้สร้างีว่าถามว่าจมาไปลบใครจะถามเราถามเจ้าของลบไม่ว่าอยี้ยงเลยว่าอยาก ให้ลูกอย่างเดียวแล้ววายอยู่คนที่สุดผู้เทศก็มุ่งอยากให้ลูกเล่าก็ไล่ถามเล่าคอนเล่ากรลูจักข้อมูลของกันที่เราคว่้งสิษย์ที่จักข้อมูลของผู้เทศอลูุอันได้จอดได้ายลูกงั้นยังผู้บอกงานการผู้บวท่านลูกใ้ลูกถึงการยุนน่เนื้อแ้เนมันคือ ดวงมันกับใครซึ่งกันหรือสัญญบอกว่าเขาใจก็เลยบอกทุหันผนที่ซุกออกเขาใจได้ารผู้บอกไปเมียงทีละอันนี้เอากับสงบ่งมันจุกมันกองมันที่จะหน้าหาทางอันน้มันจำอนนัันรู้ได้ถ้ารู้ได้แล้วมันเป็นจุกออกมันเพิ่อยากให้เจ็บตีบเศราพอยากรู้ไปอันนั้นมื แต่มันได้หลายบที่ล่ะดังนั้น่ว่าหัวขวาก้องธรรมะตัดไปแค่สินธรมาีิปัญญาหน่าละสินธรมทีิปัญญาน่าละท่ามให้เป็นใหญ่เป็นพุทธธรรมะหลังคาถึงว่าได้หม้อแมนเอาสินสรมาี่ปัญญาทําห่้อมีช่างใหญ่เป็นึ้นได้หรใหญ่ให้เป็นพุทธธรรมะสูงขึ้น่านี่ถนันทําให้เป็นในนั้นเป็นยังว่าสินเป็นก็สินสินขัน สมาธิกับสมาธิขันปัญญากัว่าปัญญาขันขันกับแปล ว, ว่ากองอยู่แล้วอย่างกี้ว่ากูุ่มปขันมันเป็นกองกองท้องคือหูคือตามันมันต ค, คนเดียวเป็นกองอยู่งยื้งสิเกลบบ้าจีนมือกองหล้างมันกับจีนต้มคนเดียวมันกองอยิงเีื่อเชือมันเลยหลายๆที่จังติดตินเสียงจะ่านหลายอย่างนี่เราเจ่นนั่นกองอยู่ไม่ชีด่ค้คอนเหรอ นองนั้นมันยังเอาอาหารอื่นเขามคองอันทีว่าว่ามันตัวเลยไปเป็นตัวคองนึงคลองเดียวขึ้นมาอีกนองนั้นยังเป็นคลองเจ้าองบาดเจ้าคองไอเจ้าคองหน้าคองคองจกคองคอคลองแม่คลองสูบของเสารไฟจะพุธจะพ้เอาของมาคลองกัน่เป็นอยู่นี่มันหลายนอกนั้นก็เป็นเจ้าคลองหลบคลองใต้ขึ้นน จะส่ อ, สองปวดหัวก่อมันจะตัวเก็บตัวกล้วยไปสะพืดมันตัวกลิ้นไปสะพืดมันหลุดฟองเต็มย่างทานที่แหละนี่แหะชิ้นขันกับชิ้นกะหากลัมาประเดีเท่าผู้เดียวเป็นผู้เวนชิ้นตัวเดียวเท่านี้มันว่ามันเนีหาซือมันเป็นหาบอลเวนหาแต่มันเราผู้เดียวเป็นผู้เวนหรือแค่เท่าผู้เดียวเป็นตัวส um ินสินตัวเดียวเท่านี้ ช้นแตก่ยังน่นชินิ้นชิ้นอร่อยชิ้นเจ็บ่างนั่นั้นเราที่ชิ้นตัวเดียวส่วนนีมีชิ้นหลายตัวเช่ว่าเบลนมันหลแล้วมาฟองนี่น้เาห้องอีกวันเย็นบดซื้อมัน่ากว่าเชื่อว่าแมนแมนมันมั้นเติบเป็นไหระไว้ช่ำหรือแมนเชเอรผู้เดียวผู้ละนี่เป็นตัวิ่มันฟองยุ่ีละที่นี่ปสูจุดไปในกับมันยังสิฟองอยู่นี่ว่ามันไปอยู่วันเดินนี่ เสนอประจุสองหมื่นตำหน่งพันประสมมาขันสร้างแจสสองมื่นตำหน่งพันขามากรลายนาผาขันกัแปลว่าของลราเาให้กับสองหมื่นตำหน่งประคบขันลายนราลระปรมาจารย์เดียวดีจีหมื่นกับสองพันประสมมาขันท่านสารโองจังได้รวบสั้งประจุเสนอให้เป็นแปดหมืนกับจีท่านปรสมาขันอย่างนี้ใช้รินมันมาของนี้เล่าคู้เดียวขีงิลา เห็นนั่นค่าว่าพขาชูส้นเอวในใบในแบบเป็นสีไว้วาด้แก้าหันแก่ออกขออาริในเด็กแก้าหันแก่เขาพระปรมาตถ์เ ด, ด้กแก้วหนึ่งทำใจเราบริหันเราเน้นยุคแล้วคอยคอยมามา้างเดี๋ยวเป็นพระปรมาตถ์สโลงสิแต่ว่ามีพ้นเอวเฉพาะธาตุนั่นเพราบริบูรณ ถาวาา่าแบบถสูดแต่แก๊ใจชงออกพอรีนแน่แก๊ใจขวนกลับขึ้นมาเป็นส ม, มาธิพอประมาต่แก๊สใจร่วมหวานที่นคเอสมเหตุผลเนี่ยาาพาว่าพสูดมันมาจากเข้ า, า่ตตาพาัสูดเข้ามาพัดสูดมันมันพวกกระสับยังมหิสีพัดสูดลูกจะให้ว่าขวดลูก หรือว่าออกลูกก็บอกกันี้ส่อันเดียวกันเท่านี้นี่ละ่ะคันว่าถ้าสูตรว่าใจชองออกมันไปชงไปเกิดเนี่ยยังเข้าคิดไปมันไม่ไปเกิดคิดไปหน้าไปเลยไปจับบ้านไปอยู่หน้าไปเกิดที่ผุดผู้ได้คิดไปหาบ้านตัวเองนี่ยคันไปหน้าแล้วทำแล้วคิดหน้าบ้านนี่มันชองออกหน้า มันตอนแรกหนีจากหน้ามาอยู่บันว่าเกิดอยู่บันหน้าโบเห็นนล่แหละแต่มันก็จะมันก็จะมันจะตายนี่ยมันตายแล้วหนีจากบ้านไปหน้าเปรียกว่าตายจากบ้านเป็นยู่หน้าเกิดอยู่หน้าคุณหนีจากหน้ามาบ้านเปรียบว่าตายจากหน้ามาเกิดที่บ้านดีใส่บ้นไหก็ไปเกิดว้านหันหนีจากบ้นไหเรียกว่าบ้านหันเป็นบ้นตายยังว่าพาศูนย์หรือแปลว่าศูนยเป็นนี่สิ กดแน่เล่าผู้เดียวนี่แหละทวีไนไปนยังายายลาการแหละมากร้องนี่นี่แหละวีนัยโยเป็นนำ้ำกองตัวออกเล่าเป็นผู้น้าชิงสีมันฉิดบอกถ้ออกจากเล่าหรือแม่นเล่าสุดผู้เดียวสิริน้ำมากร้องนี่นี่แหละสองเมืองกับหนึ่งท่าก็ดีพระปรมาทพนว่าได้แก้ตายปัจจัยนั่นเป็นสัพพะลมัตเป็นสิ นี่แหละยังว่าธรรมะบริบุรณ์ทั้งสามสีดกอยู่ในเสือเล่าแล้วสิตที่แกหน้ายังไงได้ทั้น ง, ในใทงนั้นนี่แหละยังว่าบวมเม็นว่าพุกพุกพุกท่านไล่ท่านบวมีกดอกนี่อยู่วิหารเจ้ า, าพุทธเจดขันหัวากอะไร ย, ยงังสิพิ่แกหน้าไปลบสิอไหเป็นศีล้นมาไงมาจิเป็ น, น, น, น, น, น, น, นได้ไหมนมเป็นสมาธิ้นมาจิมันตั้งขนาะดเดี๋ยวก็สมาธิ เหนมากไอนมันเ and and ึ็นปัญญาครอดูแก่ขาดฉันคือตายใจมั้นดูแก่อย่นงไรมันที่เกิดสองสามยางคืนนไอ้เเป็นพุทธขึ้นไหนเ็เอาพอหลุจากวัฏทิเห็ดแดียวึยังเราหลุดจากกัฏทิฏฐิดินเห็ดดินเดยวเห็ดหนาเห็ดลงในดินเ็ดไทยหลงในดินเ็ดสวนเคห็ลงในดินปลูกบ้านก็ปลูกลงในดินเ่าเอาเป็นนิดินไปได้ เรารู้รา้วก็เฮ็ดเอาเองแล้วก็ดีสิบ้านกันล่ะอันนี้เราก็รู้แล้วฟาสูดฟาดไม่ฟาดมัดแต่แกตัวเราเล่าเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยอันนันเป็นขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเห็นขึ้นมาเนี่ยนีล่ะมันก็เห็นง่ายๆดอกเพว่าฟาสูดกระใจย่งออกเข้ากระเสยกระเจย่งออกไปหาบ้านเข้าสิไปนั่นแหะมันก็เลยหนีจากบ้านเข้าอยู่ไปอยู่วันฝุ่นยังกาวมะเหล่าในยังกันล่ะมากส อยากตติดจกสายได้เกิดเกิดับพุ่นมาอีกมาเกิดบ้านสายจากบ้านไปมาอีสยึงกันละไปบ้านอื่นไปยงสั้นมีจากบ้านอื่นมาเราเกิดสายจากหันมาเกิดต่างเล่านีจากบ้านเล่าไปบ้านอื่นมาเกิสายจากบ้านโจไปบ้านอื่นไปเกิดอยู่คนเห็นอยู่คนล่ราไปไปหากระไรเพเห็นอยู่บ้านทั้งที่ละนี่ยแะเชิงว่ามันก็เรียกว่า ไปดีวยความคิดนั่นล่ะเห็นั้นเราเบิ้งความคิดเจ้านั่นก็เรียกว่าเบิ้งแล้วเบิงเกิดบิงใจเบิงเป็นแบบฝาสูดแล้วเนี่ยถ้ายิ่งเบิงการไปของเราฝันแห่งเห็นคักนั่นล่ะตัวเข้าไปเมื่อตัวนั่นล่ะเห็นคักเห็นเป็นฝาสูดแท้แทะไปเกิดถุกพุทธบินพุทากไม่อยู่หฮอยู่หน้าคุณคุณูขุดไปเบิงบ้านบเห็นแล้ว นี่ันเราไปเกิดเพศลูกฝูงเชื่อมันเป็นไฮ้ืมันไปเกิดยูไฮมันเพศไฮเป็นไฮคืนสวนคืนนิริินเดียวป็นหน้าคืนนิีิินเดียวนั่นัน้งที่ละ่ะแปลว่าตัวของมันแมนเด็จะห้จะหน้าดอก ข, อขึ้นมาบ้านยูฮานะนี่หละเชื่ว่ามันเป็นทังี่ละ่ะมันเกิดนิริร่งเมก็พสัสดแต่ว่าเกิดนี่ละ่ะ ภารีไนกับไม้ข้ามว่าเพรา้นั่นแหละแตลว่าความชีวิตอันกลับขึ้นมาเป็นภาินไนเข้าเพราะถ้ำขาดจัดเพาะหลับของฟืนเพํานั่นแต่ว่ากลับจะความเคื่อถ้จะเพราถ้กลับกลับเพราเป็นภารไน่เนี่ยนอนก็ได้พระปรมัจัยหนึ่งอันโยวาสิทธิแก่นาจันั่นหละตายนี่ละเน่งยุพิแกนาย่นีละ มันเห็นแกงแล้วมะกีเดล่าควอมวาไปไว้อยากจะยิ่งดีขาดลงไปได้ไอ้ทนฟุกมินท์ซี่มีอะไรเจ้าว่ามันบ่ามันของจิตหายากหรอกบ่ามันของจิตไปลู้ยากถ้าสวดพระที่น่ายพระปลมัดพระใจพิรกอันนี้พระใจพิรกกันเพราะว่ามันของดีคันชิ้วหกบขันชื่อมันแม่งพิรุกมันแป่ว่ากระตาได้หัน แปวกระบุง้งแปลว ồng, ่าดงพิรกมันพิาการนะแปลว่ากระตาแล้วกระบุง้งแจ้าคบแมักหยาบมันเคอะคนจงแปลว่าสู้สู้ปัจจัยพิรกหัวใจสสัตว์เป็งเ อ, องขวัญนี่สิละนี่นั่นเพียงว่าเท า, ามันเป็นสู้อยู่แล้วสู้ปจจยพิรก จะเราบมโหจักรเร า, าวกรธจะมอยู่หรือคนอื่นแต่ที่แย้งันอยู่ในห้ายยังอธิบายเข้าใจกันนี่ละเห็นไหมเชือว่าภาคกันสั่งใกพิจ่จรานิราถึงอาจจะมาจะเจตก็ไปกักจะเจตเรื่องสู้ปัจจปิดรกเพื่อได้แก้ตายใจเห้อีเพรานั้นเพราะมันเป็นทางคนพุกข์ประเทศาสนาเรื่องประวัติไปเรื่อยแม้กว่าคนทุกให้ได้นี่มันเป็นหังอนีหตอน น, อนี้ไปชงาภาคกันสังเกฟังใ นะโมตัสสะสัพพะวะโตอะระหะโตสมะจัมพุสะจ่านะโมตัสสะะวะโตอะระหะโตสมัมพุนะโมตัสสะะวะโตอะระหะโตสมัมพุนะโมมพพุทธนัง กุป น, นานางมะเยี่นี่นางั้นห้างตารมุมหาวหิโรจีตอนนี้อันไปจะได้เทศนาในศาสนาธรรมคำสอนของมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ท่นได้รุเสวยิงจริงไม่ทรามช่้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเชลื่อใจและปลุกูน จะชีปัญญาของขันพุทธรบริปัญญาอยู่แดสิผ้ามีความเสียความใสหวังเพื่ออยากฟางพระธรรมเทศนาจ้งได้พากันมาเพื่อยุดประชีพหรือเถียนตามวันออกพรราว่าตัว่ยจุดประชิดสานักเราก็เลยมาจุด ยรตอันเป็นของสว่างเข้าก็ว่าวันนี้เป็นวันมหาเล่มหมาชัยของศาสนาเราได้ามาตั้งใจกระทำให้เป็นตบมหาเล่มหมาชัยขึ้นในจิดสุขเกียนตินโมรามันบูชาคุณสารัาสนาใจ เมื่อเส็จธุระนั้นแล้วจึงได้พากันมาประชุมกันในสมาสภาคสลานีได้พากันสั้งใจกระทาการบูชาคุณสรัทนาใจด้วยการปฏิบัติบูชาหันเราไปจุดดอกไม้สุกเทียนอยากว่ า, ามิสขาบูชาบัตนี้่เราไม่มีการไหว้พระสวดมนต์หรือฟังอย่ว่า เป็นผู้ตั้งในการปฏิบัติบูชาพอละโอากายเราทําเอาอีกาาวก่มีอันใดคือดอกไม้จุดเขียนทั้งนอกมาทำละกายเราทำเป็นการปฏิบัติขึ้นเลยลางที่รูรานคาสอนพระองค์กล่าวไว้ผู้เทียนในเขียมมือทั้งสองเลี่ยงเลละหเป็นสิบเรียกว่าเป็นขันห้า นโยกขึ้นบูชาวางสิตเสงจารอดวงใจระลูเป็นแ็งสว่างของสุขเขียร น, นี่ผู้ตัางแกลั่ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้เอาของในตัวเป็นเครื่องบูชาเพื่อเอาตาเอาหูของสว่างเป็นแ็งสุขเขียร เอาใจเป็นทองลูกเป็นทองสข็งแข็งสุงเทเียนของมือ่อเอาตัวเป็นตัวเสียดตัวผู้พระองค์แจ้งในเจตน า, าว่ายีระวัตสังคันโขว่าชิเดเวสุตโมเปสังสปนาคีระนั่งอปมาหรือา น, นั่งว่า สีลวาวจังขั้นโซ่สีรากกับขึ้นหินนั่ น, น, นแหะขั้น้อบแต่กลิ่นอันนี้เราเอาดอกไม้สุกเทียนมาบูชาเล่ากับหาาของนั่นนีกก่กินแบบชื่อดอกไม้หาดอกมะหอมแต่ท่านบอกว่าหอมของดอกไม้และหอมสุกเทียนก็ดีมันหอมไปได้แคามลอบดอกมันหอมช้วมลงว่ได้ดอก ก็เป็นกินเหม็นกับคือกันหอมปลาดิซ่าตามร่มหอมซนมม ร, รนนนมนน่มว่าไรคิดว่าเก่งเก่งดีวีดีเสียเก่งไดกระทำมันซ่อนไปว่าไรสีละาสังขันโตวาจิเด้เวอุตโม่อุตซโม่เป็ว่าทดาวดกิ้นของขินหอมซ่อนร่มเลยการร่มได้ดังสีบุร่านลาักษนะขินว่าล่ะขินหาหอมหอ า, หา วางสิชินมาย่งพันเจเลยหลักพระาไปวัดชินหาพอมพระเฮาสินแปดหอมสะาะเทวะกนิสาพมสั้งอุดมจนวิเศษสั้งเศรษรลักษณสินตามประดินคุธาบาทวาัดเจียงีไว้ขาดตามธรรมะธรมปัต น, นาทัพสมารี่งอรหัรางกัโลมิวัดเจียงสีนี่ล่ะ เห็นนั่นเสียงว่าทาแจ ว, ว่าแล้วยกขวามสมารถเป็นตัวอย่างมาอยูนย่นี่ละขยันโยมขับกรุงเทพกับมาบ่านเมีนมาอย่างเด็กรูปจับจับความกระแสเสียงมีย่อมว่าเป็นผู้ปฏิบัติทินธรรมดีมันนนหอมก็กินเส้นสี่หอมตั้งหลาย าหาผู้ใดเหตได้เพียงจังอาจมะตั้งนี้คือเสียงที่ไมย่อมสทีนกุถ้ายื่นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นย่มนุษย์อดสวรรค์กสั่นกับจองมา ท, มท่มทมอมหินทมท่านของพระองค์ท่อมทุกสั่นก็นมาพุทธยนมัดในโลกกระถา เห็นนั่นย่างวันนั้าจะหมามยว่าสีโอกระี่นม น, นุษิ์สโลกกระชานั้นนุกิตาวิีโลกราากระถาชักสิไรล่ะพระองค่เจ็โลกกรถาหนึ่งจักที่วันไหนใสจนิีโลกกรถาไปทุดีมาวายพระองค์มาชนศาสนาพระปิตูและพระพุทธเจ้วผู้ดใดเป็นพระพุทธเจ้า หอมกินชินชิ้นถ้ำจนชนากันมาจนคลิปโลกธาตนี่ล่ะเ็นนั่นยังด้ว่าเท่าเราไปเห็นแจกของอื่นหอมโมจัดกวัดท่อมหอมของเฮาคูท่อมดีมันหอมยิ่งกว่าของหอมทั้งหลายเ็นนันพระองค์คนหูจับซึ่งก้าไหวยังว่าศีลวัดสังคันโตวาดศิเดเวสุตโมว่าวส า, าตวรรบ วัดกิเดสเรี่อยชุดสมมปติอมตอนล่มตันร่มน่ะเตสังสัปปนัสสิลานั่งอัปปมาลวิหานินั่งนี่แหะผู้ใดมีศีลเท่านี้อัปปามาแปลว่าหอมหอมและหอมอันมีอำนาจบ่มีประมาไปกี่ใดหาผีหาสางสางกัดส่งผีสังกัดเก็ดเก็ดของขวางสระต ong โหร บอเบียดเียสมัคทัญญาหิมุตตานังทัญญาแปลว่าผลหิมุตตานังยะได้มร ก, นนกดนนได้ผลก็โดยอำนาจของศีลนอาไวให้ใหญ่พักศีลมมีเราที่ไปปฏิบัติเอามาออกผลว่าได้หรอือ ว่าสมารัญะง่า ย, ยู่จะนั่งริมุดคิดผลปุกเป็นพันิพภาพเมื่อสมุดสัมตตเณยอำนาจของศีล น, น้ำหน่อยหายมาเ ร, าาาาร่อมาตั้งนวินสตีมาร่อเปลี่ยมานม่านพระสารนั่งกั้นผู้มีศีลได้เนี่ยว่าอานาจของผีของสางสมบัติอานาจพญามานดอกจะพญาม่านกวาดลังกวานได้ผู้มีศีลมีข้ามเน่ อย่างนั้นาเล่าก็เป็นผู้ใด้มาถึงแล้วเล่าจงรักษาตัวเล่าให้ตั้งอยู่ใน่สิ้นไมท่ำใอ้มันเป็นของที่ได้รับความบุญใหญ่เล่าและได้ความนิยมและอนุโมทนาอ น, อนุโมทนาของขวบทิพาาย์ า, ธธ า, าัยหรือขวบเทวดาทิสสาบ่ให มาเบียดเบียนในโดยวามอนุโมทนาเรียนไปแล้วนี่จะแก้รักษาเท่านั้นนี่ยจังหวะเทาเห็ดเท้าโบกจักแล้วแบบนี้ยังดีเลยบริจาคเทปอยกจะอยากถิ่นถิ่นถิ่นถ้ำแล้วจะไปเน่าเข้าคู่จักร่็ดีจะให้เห็ดหน้าฝุ่นก็ดีเลดไปเน่าเห็ดไปพุ่น สินสินส้ท่ำไป็นตัวทิอันนี้ว่าจบมันคื ด, นนน ด, ดีมันร้บบปทอดใสได้ฮะเสร็จแล้วรถพอจะเรีมาอาศัยอยู่กินใส่สวยเราตายขนานก็อตายา้วบบมีวันเที่ยวไปน้ำไหลของมือหนัลดสุนเบาๆแล้วเหตุผลเหตุูกเลยเลยรับจะผลอันนียรับผลของความเหตุหน้าระบบไปแก้ได้ จับชิ้นเงื่อนท้องต่อไปแก้บัวใดแก่ผลท้างต่ล้วาท้างคามตัวไป้ชื่อใช้สอนต่อ บ, บัวใดเด็นั่นดังว่านั่งกินจ้ามาหาิกากบบเพื่อเป็นลูกเจ็ดชีนแล้ว เป็นผู้งามสวมกับเื้อก็เป็นเรื่องว่าเื้องามจินจามารายกานะเป็นผู้อิจก า, การแปลว่างามมันเป็นไรเสถาว่ากัากนอิจก า, การแปลว่างามเหมนนั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาอิทธิผู้บริบูรณ์ด้วยลักษณะผู้หญิงผิดพลาดประการจบบุญ นี่ล่ละเมื่อตัวเป็นลูกจิตถีก็มี่อยู่แล้วพัรไดแต่เขาศาสนาพวกเทวสีพวกเขาหอมหับชับสมบัติเลยมากเห็นว่าจนขาดแค่นเพราะพระพุทธเจ้าขาสนาพคโลมเิด็จเขาไปเลี้ยงไส้มัดไว้บนนี่ไสมาเลี้ยงไส้มากระบุง บอกเล่าเราผูกจุ่นทุกอย่างว่าเห็นไผข่เห็นแต่นั่งกินจามาริกานี่แหละไปแก่ไข่พระจันาโคดมเตรียมชื่อเสียงเตรียมนิยมว่าเป็นอาบอสนี่การเก็บสมกับผู้หญิงไขไปว่าพัะจันาโคดมเจ็บสมมาเสียชื่อเสียง ขาจะ ก, ก็มีมย่องหวานสิร่ำจางยังไงพวกเยรศีหายนงินเขียนเจ้เงเงินจ้างมันด้วยตัวกับเป็นผู้เป็นลุกชิดเยรศีด้วยไปยักให้ตัวนั้นนี้จัดคณตัวจเจริญเหล่าบริบูรณ์หรือ ไ, ไปเหตุตาทองไหนนันรวมจนมี่ท่อง ไปก้าวโค้งที่ถึนผลที่สุสตตดต้องกระทำหนักฮะเนี่ ย, าายเลาไปก้าวคเอเอาใบเ็จเป็นลูกท้องแล้วอาไว้เที่ยงท้องไว้แล้วกเอาอย่ยงลุงลุงรัดเหมือนกับพ้นมีท้องไปฮะเนี่ยตอนไปก้าวในเวลาพ้นสังเขตยุทธันหลายๆจําด้วย อันเนี้ยค่นทังหลายจพูดจะแม่งกมีพูบเสียกจับขา ก, า ก, ากมี่อันเนี้ยแสียพระอง์สอบว่าเออนางได้ความเสีว่วเล่าเห็ดให้มีช้องน่ยวบกับดูแล่นนะี่ะในเมษนี่จะเลาสงค์สำหับสิรูกันเน่ะไปจ๊กว่าที่ท่านแห่งไเป็นค้นสงสัยเสียพระองรูแล้ ว, ออรรวกรรมชีมาถึงเวลาน่ะ ขันพ่อไปด่าสามวาลวาพยินดีงันมันห้อนไปหอดพยินได้เห็นว่านั่งกินจานบริการใสกาวพูดพมอยากไข่โสดพระองค์เลยลงมานี่อะไรนิดเป็นหนูเขาไปคัดขายไม่ผูกแต่สายผูกไม่ใช่พนะ่อไหมขาดไม่เลยโซ่ของเส้นดินลังสีนได้แตกและกลมบ้องตลาดแผนดินหนื้อเอาไป มหาวิกีท่านที่เลยเนี่แล้วว่ามีเงื่นอนจนาลูกก็เป็นลูกจิตถีไปถ้ำไปเรียกว่าจะรับกัจจาของพวกเดรรชีไปซื้อเอาโทดออกเพื่อว่าว่าให้จกไปถ้าดีเงีกกยงยง้ยสินซักกต่อย่งว่าใตจอพบมีอย่างไปซอยเหลือะดรอย่างว่าเฮ้ามีอย่างแต่ยั ง, งสั้นแหะบนนันต้องสิเสียเรียกาไหนี่เราวันหีนว่าสูกินสู่าําใด ขินถ้ำสวยเหลือเราได้ไปใส่สามเราไปทั่นคือล่ะเหตด น, นั้นแปงว่าเราคว้างภาพกันยินดีในขินในถ้ำขินชน้ามากเพราะขินถ้ำก็บอกว่าหยุดงานเป็นแเว่าไปสมานกับเอาไปเอาไปรักษาอยู่ในงานก็นได้เอาไปารพิจารณาประจูดพวิน่าแปดมือทีพระมาดกประกันก็นได้เพราะมันยุน่งในตัวไปวันนี้เอาตัวไปด้วยมันยุน่งในแล้ว ไปที่ะหน้าไปไดไปทางนั่นบอกคัดกองเนี่ยเห็นนี่เสียงวาเล่าทํางานคุดดินแล้วก็เห็นบาทนั่งเลิกเข้าไปเราก็ติดขึ้นมาลึกในขึ้นมามันก็กหนเห็นเป็นหลุมลงไปเราเห็นแสงสัน้นเราก็ยังเห็นเป็นห้อยได้เ้างที่แกน้าร่างกายห้องไปเห็นเป็นห้อยได้ ที่เจ้าหน้าตรงซ่อจกกรกงมันกระจกกรกอยู่แล้วว่าแม่เราขิไปแแดงให้มันจกกระปให้เห็นตามเท่าน่ะที่เจ้าหน้าโรคไทมันกระ น, นี่อยู่แล้วนี่ยีกัจชาปารมาโรคข้าโรคหิวเขากระายนา้ำเป็นโขกอันไรแล้มว่า ม, มียาใช้ใหาหายขาอะไรนี่จะครอบสิ่งดูเล่าสิ่งยาปรารมาเพ่อเข่าและน้ำพอบัตข้างลูกจะเศร้าสะหดใบสบายสะด้ย ขยามือกว่าจะมากอะเจ้าวันหนึง่งพออัดเ่าซุกหาเาอาอะไรยังที่เกิดนี่เฟรกรบบ่ได้แล้วเนี่ยมันตังสี่ละมันก็เ บ, บิดบ่อเศรอย่างว่า ห, หายบ่ให้มันนีดกาเบิดแลเลิกกินเหล้า บ, บ่อได้ยาโลกโลกเจ๊เธอไข่งกินยาให้หายขาดไปเลยบ่อพี่ตเบิดขึ้นได้หกอันนี้บ่ยัหายเนว่าเป็นหลกไรแลนี่เทากัมาเบ่งมนนี้ละ่ละ ขันเท้ามังกระสายยีวิ่นืโลกหายถึงายแสบโลกมันนั่นโลกพ่อใครเลยโลกสายแ้วมาเสิมวโลกเหนื่อยโลกเียวเานาง smile, เขาเดินเขายืนมันเนี่ยนบเท้าสายแสบกันนางบกสีกายแสกมันเป็นโลกไรแน่ทั้งหมดนี่ยละมุนเนี่น้องอันโลกสีโลกเหนียวมันนั่นโลกหาถึงสายถ้านางบกสีบกเหียวก็ตายสีเหยวไร้ก็ตายมันเป็นโลกถึงายมดมุนเนี นี่แหะงั้นเป็นถ้ำลหรฮะนเนี่ยเป็นเครื่องบอกทุกเป็นเครื่องบอกความบเที้ยงเป็นเครื่องบอกความซีบร์แล้วบังคับว่ไใดเป็นอนาณาจักรหวิสศษของเราพูดว่าเป็นตัวเล่าที่บังคับมันไห้มันว่าเป็นเล่าอีหรีอว่าใดอีมันบังคับกํบาบังคับอาา่อเฮ้ายังอาจจะมาน่ะ บ, บังคับยังไงอาจจะมาว่าเออ แ้่ความพะย่าเขาก็บอว่าท่นมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าขายดอกดเี๋ยวนี่เขาเกิดมาเป็นเจ้าแล้วแต่ยังที่เราว่าที่ยุดิบก็วัดกลุ่มหรือบ่าอะไรผว่าจักพญาเขาวัยอายุยังที่ล่ะจะคิดไปต้งอ ง, งขเขาหนวะมันบังคับอะไรกันเนี่ยล่ะเขาบังคับมันบ่อยยังว่ามันหลกดจนจะไปถึงสายทิบังคับนับ้นไม่สายหรือ่าอะไรมาเป็นยังที่ล่ะ อย่างว่ามันเป็นอนาตาต์กแนนท่าเนี่ยมันบังคับว่ได้มันว่าเป็นตัวตนมันเป็นของศิษย์ศูนเต้ากระแนนอนาตาร์ไปแบบว่ามีตัวว่าเป็นตัวตนอนาจาร์ไปแบบศูนเต้าอำนาจาแปลว่าไปตามอานาจของมันเนี่ยมันไปตามอานาจของมันมันหลคืบปลุกเร้าเขาเบิงบันได้เห็ุบันนั่นเนี่ยว่ามีซีมีรับ ถ้ำพระองค์เป็นของเป็นยุคเผยยิ่งศีระเราอยากเห็นไอะไรจะเห็นได้สวงการศึว่าถ้ำของพระองค์วัดสันติสิโกว่าเป็นผู้เห็นเองอาการิโกถ้ำของพระองค์วิบารเป็นของแสดงอยู่วางที่เห็นนี่เราสิเห็นว่ามันมีพักหรือชอเป็นเท้ามันไม่มีพักเป็นยุคเวลา เป็นเจ right? ้าบะเบิงเล่าบุเล่าบวาเป็นถ้ำหรือเล่าว่ามเป็ูกเล่าบอยกเบิงเชื่อเชีงเดมันเขาเกียดแล้วเขาบอยกเบิงเส็ยงองโซ่กระโปหุกคูเขาทรายออกหรือผู้ใดทายเขาเห็นเราเร่าม่องหนีบอยกเบิงของมันล่กันสิคาสอนพองเพราะว่าของศัตรูให้ดูฟันแก้วยากาสิบใส่บเบิงถัดบะเบิงน่ะละมาติิทำไรเล่าเพิ่นผู้หงษิ เหนี่ทุกมู้นนี้มัน เ, นนเป็นผู้มันเบิงนั่นแหละมันที่ทำรายเราอยู่เ่อ่านเทาเถอบัตได้มันก็ใช้ร่บัตรนั่นแหละพอจังหเราอยู่ในสถานที่ใดให้เล่าเข้าใจให้ลูกตัวเสอยู่มื่อตะวันใกล้บากผู้ผิดเอบัได้มันระบบมันหัวเล่าเมือง น, นั่นวนส่สิ อันนี้เข้าก็มีม่งูคิดอยู่ในเข้าองค์ที่ละเถอไปได้ไม่เก่าบปนั่นล่ะนี่ผลกล้าวเลี้ยงกับเถอความนี้มาจากที่ว่าพวกเทบุตเทวดาเทบุตเทวดาไปเมาเพิ่นในคองคิดในดอกใหม่ผลใหม่อาหารคิดที้งยังไปมากเริ่ม เลืมเนื้อื่อมาหารเพราะเทวบุตรเทยวลาบริโภคอาหารโบกินง่งเป็นของยนาหนาเข้าไปเสิร์ฟนึกดื่มมองกั้นละว่าอันนั้นมันเป็นรสจังสัน้นเค็มหวานส่งผมมันเป็นของสัน้นว่าไปยิม้มันเป็นเ น, ออ น, นื้อเยือออกนั้นบ่ามีที่อยากให้มันเป็น ของทนทานอยู่นันจงว่าคันไปรมายใ่แมนหาจายนั้นเทวดาญานึกเลกบิ่ึนกดื้อมีมัดเสียแล้วนี่แหละเห็นนั่นจงวา่ า, วว ม, ม, นานวมันเป็นของบ่เชียงสิล ะ, ช ะ, เ, ชวะวเชียงนึกดืมเทวาากา ย, ยนั่นะเรียกว่าโลกของเท ว, วดาายอย่างนึง แวโกเวดาายซึ่ามีหายางแจ้วอองเราไปหลายดอกคอนิสก็เหนือหน้าแจวว่าเข้าสองที่เหนหน้าอังเียละถึงว่าเข้าบกเดนิสบริโภคของหยาหยาบพไปไห้เราเียกกาลังอยู่ในน้าก็ตามมันก็มีเวไรอยู่ที่รากไขโรยไห่เราไงถึงมาได้หยุดติดข้อติ่งนี่แหละเหนือยุ่นเีนือบังคับเขายุ่งี่ละเขาบังคับวอมันหิวมันก็่ได้ นั่งิ้วขึ้นมาว่าจะไม่ติดโยงกันจนที่สุดเขาบอกบริโภคบวกกินสายอี๋นี่มันเป็นสิทธิ์นี่ล่ะยังไ้ว่าเขาจังที่จังหน้ายาสีว่าของบสินวะยับบ่ยอมพวงมาดอกยับบ่้องมันเบ่งนั่นหละมันเป็นสิละมันได้ยังเราไปเห็นกวากเขีนน้าเราสีว่าเบ่อเบิ่หนละมันสีหยาของโบหิน เราะเราอมเยียบคนละเพราะเเจ็บคนละเห็นไเที่ยวว่าของตะยดูปนแก้วสรงเบิ้มมันหล่ะดีพอดีจองหายไปตุ้บไปฟัออกนั่นแหละมันยังคิบ่เดียบ่าำมันมันยังคิด่าปิดบาทเป็นแถให้เราฟุกมันก็เป็นยังสิประเภฝุ่นมันเที่ยว่าบวชเที่ยวว่าเบิ้มซื่อๆนั่นละอันนี้เราไก่พิจนามันยังก้าว่น้าให้ดูจกว่างมัน มันเป็นของวพุกมันอยู่เหนืออำนาจจงิีๆบ่แม่งเอาเป็นเหล้าเลยวะใส่เยียเอาสกุลเอาหยากมันเป็นของส่วว่าเหล้าผานาได้หรอโอ้ยผู้ชาเจ็บฟอผู้ชาปวดหัวเอาเป็นเจ้าของมึดเป็นผู้ผ่ามึดเนได้เป็นเหล้ามดเะได้ดเนี่ยเหลาเมื่อยเหล้าหิ้วเหล้าหยาบใส่เสร็จเด้ดโดเอาเป็นเหล้ามึดของบ่ดีก็มาเป็นส่ว เอาตัวว้ายไปตู้ก่อนไปเก็๊บอมมาไวจักให้มากตันหนนั่นแหละเนี่ยมันกระไดฉันเชื่วเขาเอามาไวเนี่ยเขาเมาว่างแกเตียนนี่ละเมื่อหากว่าของัตัวให้ดูฟันแก้วกัไม้ก้องไหเร่าดูแล้วบอแมนว่าให้เล่าอาดูคือคือให้ว่างอยู่เห็นแล้วให้ว่างเขจะห้าว่างน้ำวางกันเสียงว่างสอบว่ายสานั่นแ่ะมันติเจียบ นี่ไก่ว่างออกมันบมดีแล้วก็ให้ลูกมันยุ้งเซนล่ะมันนี่ไปบ่ใดแบบบางมันอยู่หันว่างมันยุ้งเซนนี่นี่ล่ะได้ซีว่าผู้คนคนพุกพอพอยึดมันนี่ล่ะเหตุนั้นยังไดงว่ามันนี่ยุ้งสีระรมเท่งฟาสูเท่งฟายี่น่ายภอปรมัดนั่นีด้กล่าวแล้วยมกษิท่านเจตนายว่า ถ้าสูตรเป็นจอกรจอกรคือกทีเท่นกีอย่างนี้ละพาวีนเป็นสายรัดกลองมันจะดงังเพราะมันมีสายรัดสายหนังดึงอันหนังดึงลัดหนังหุมมัน่นฐานเค้นมันกระดงังสละ่ะเนี่ยคาระมัดเป็นผินหนังหวางสิจะตูวสจก ส, สะดงสังจนไม่พอมอักโกรธ ขายันโตนตีปะกาศกล่องกลางว่านว่าเช่นี่นี่ละ่ะอั น, นี้พระรามาัอมมเป็นพื้นน้งพระปลอมมาแต่เด็กแกตายตาใหจังลานเลยพร ะ, ลลพระปลอมมาแต่ทํามันยิง่งพระปลอมมาแต่ว่าเป็นถ้ำอันทุกคุม้มลุมล่มลกอันลเอียดว่านที่ความนี่เราเสีเข้าใจว่าซุกคุม้มลุ่มลึกยงน้ำลึกหรืยอยังว่านา้ํนา่อน้า ต่างรลืกหรือในดวงเลืกมันเป็นดวงใหญ่เข้าไปจนอยากลุ่มข้างออกมากงี้เสียแล้วสิเผาใจเลึกอรีย์เหมืนบะแมนเลือกอันนี้ไม้ต้นามาเลือกเล่าเล่าหวัวเล่าถือมันมืดเลยหัวเลยถืองีเห็นไจังวะ ท่นสารพระองค์ที่เป็ี่ยนจำลาอัคคะหนึ่งบาว่าหนึ่งหรอจนภรไก่ปีรุกประกาศขายอยู่เลยแล้วเขานี้คนนย้ตองซื่อว่าย่างพิจารณ์ม่นสองพันก็ปูกบอกแต่ว่าสี่พันหรือแปดพันมีแต่ชื่อใดมันซื่อจำลาอน่ะ ขันขาซื้อพระใจปีดกเคื่อตัวเรลาเนี่ยจะว่าเป็นปีตกาเป็นในแกตัวเรล้ายางวานเมื่อหนึ่งไผ่จีเขายแดงที่พันจำลูกมือเนี่ยจำลูกค้ำจำลูงท้องไผจีเบืือไผขายไห่เขาคิดว่าขอซื้อขอเมื่อตัดขอเมื่อห้าเห้าวายายัยว่าอะไรอยู่เี่งเขาจะมาขอตาลึกตัดหูสิบแหง้งก็ห้หลาย มันราคาเทเลสก็แพงบ่ได้ชื่อเลสก็ขายบ่ได้นี่พ้าใจผิดหรอกแท้ๆมันเป็นของนี่ละค่ายิงอยู่ยันที่หละอย่างว่าเป็นของยิงุกขุมรวมเลอกก็ไม่ค้าดอกความรูมันเล็กจังเนี่ยสำล่ามันไ่มีรูยังดอกยืในนี้ก็บนี่เพื่อนั่นอูขอบค้ำอยู่น่อขอบท่อมอย่นอยิทอมอยู่น่อเห็นนาเศษเหนียหายังส้ได้่ คันว่ร์แมนตัวคาเปเจ้าผู้เป็นคนเกิดกันทั้งสู่รมันเป็นกําลาลุ่มสินุขันหรือว่าเสียงเสียงเสียงต่ำใส่เกเตียเนี่ยเหตุนั้นแจ้งว่านั้นมันเป็นสัมลาดอกมันกับราคาหลายหล่ะแต่มันเป้งตัวเล่าเึ็นสู่มันราคาหลายยีหรออมันเป็นตัวมันมันเป็นจะเป็นสู้เนี่ยนี่ละเหตุนั้นเจ้งว่าไห้เราพี่จ้า ว่าพระปรมาติแก้ตัวพระเราว่ายิ่งอันนี้ประสูตุเป็นน้อยกองก็คือว่าเขาเกิดมามันเป็นลูกมันไม่มีศีลลวเขากระวอข้นบ็ดีเลอเด็ดฮะยากเขาขากันยุทธังเดียวนี้อยู่น่ะหนุงยุทในกรุงเทพมันเหตุพิษศีลได้เด็เนี่ยหรือว่มีราคาดีๆขากันศิลเนี่ยทั้งเกตละมันเห็ุผิด มันสิต้องการควร่ำรูอำนาจเป็นคอมมูนิสต์บอฮามีดีนีครัวไปจังเสร็จมากกับเลสิกก็ข า, ขาดซะเต็มเลยเขาบอต้องการคือบอฮามีดสินนี่ท่าว่าสายเหลือศูนย์ย่างฟวกรัฐบาลล่าวากันอยู่นะสายเหลือศูนย์แน่ยมงกับยิ่งซี่แล้ว ตูเตื halfway, ่งสายเลยศูนย์ที่ไปเห็ดหยางเห็ดหยีเห็ดชัวเห็ดีเห็ดบาด่างที่อานอยู่เห็ดเห็ดเนี่ยแล้วกันว่าสายศูนย์เน่มคอนแห่งเกิดหลายควังจะความแฉะหากันหลายลบกันหลายขนาดจะศูนย์ไปเบาบางจากประเทศจากานกาดเมืองจากสดินไปซะมันจะมาเกิดหลายขีดไม่ซี่หรอกวันั้นสายเกิดเ่ราะฉัมันเป็นที่ละเนี่ยแหละว่าเอาซื้อ ตัวบอมีงานเห็นเลาว่าตายศูนย์มันสิษศูนย์ยังไงมันเชื่อกันจะกล้ามาแล้วข้นภูทิไปจากบ้านไปหน้ากปแล้วว่าสายจากบ้าลัวมันศูนย์ไปกี่ครั้งแมาไปอยู่หน้าผุนหรือไปอยู่ไปอยู่สวนผุนแล้วเอาโบห็นศูนย์แบบนี้จากสวนหน้าบ้านเนี่ยแต่โห็นเลี่ยแหละสวนที่นั่นมันศูนย์ไปกี่ขันยุ่งงอนอยู่ไหนดิ เห็นไหเจ้าแบบบีเมื่อคัดตัวซ้อมขอให้มันไข้มันก็เลยไปสิ่ไข้ตัวบีสายตัยวซี้เจ้าขี้บ่มีมีมีมอนดีเอา้าไข้มันก็แจกเป็นม้อนเอาาเน้าบีให้เรเห็นอาไบีเรเห็นแล้วเอา้าม้อนฟันคับเไปเป็นสักแด เนี่ยแล้วบ้านก็เห็นแล้วมันก็ไปเป็นด้วยรแรยู่ันส้งกันแล้วมันบเห็นมันมันสูเอ้ารักแร้เิมเป็นสวีวัยี่้งสี่แล้วเนี่ยักแรเเห็นอลไรม่งเขเห็นแล้วความมั่นใมากมหาพสูนเนี่ยน่าสดีเเป็นไทเอ้าดีกระายเย รักแบบมม่อนกระจายเอ้าใครผันเกิดเป็นกระมอนวั่นยิ่งขี่แล้วเนี่ยเห็นไหมแกว่าเฮ้ากิ่สายศูนย์ยังไหนจนแกว่าม่อนมันกระโบเห็นมันศูนย์มันยังเป็นของนี่ประจําโลกจิตจังสันเนี่ยอันนี้ยกระเสือกันมันบ่ศูนย์หรอกมันเราโบหุจักมันไม่มีย่านมันไม่มีคําสอนระพุติเกี่ยมันบม่ได้พิสามันก็เลยว่าศูนย์ไปยืนแต่ศูนย์แล้วมัน เขาขากันจะมามากยังขากันยังที่แหละยวว่ามันท้นมาสิมัได้ดิมันแหนงที่เกิดขึ้นมาหลายเพราะมันเกิดหลายข้างด่เกิดด้วยเกิดแล้วมันเกิดอีกยังที่แล้วมันนี่ิีงานให้เกิดยังฝืนละช้างเชิดกระชากระเนิดกระเนิดแปลว่าเกิดสังเชิดกระชาแปลว่าเกิดหรือ่ใช่เหมือนยังว่าใบกุธาเกิดเป็นมี่เปงานเป็นแม่งผีพวมากมัน ท่านมาใส่ไม้มาเกิดมันกเกิดเป็นตัวสัตว์คือมาได้เมืม่อไหใหม่ๆเพราอมามันมี่ธาตุทั้งทีเป็นสั้งเศษทัะงช้าสมุนืี่ธาตุดินกับได้เกี้ยวใบพุทาแล้วมันมีแสงธาตุพิษเป็นผัดไส้แล้วกับเขาไปหายมันรบกวนแล้วมันมี่ธาตุน้ำยืนในใบมันเป็นใบเป็นติดยืนมันก็นี่อยู่แล้วแล้วถาดโลกมันนี่มันเกิดเป็นยญางคือได้โดยโบวิบวิธิ นี่พอมีแม่ยิ่งยานเลยมันเกิดขึ้นโดยขาดสังเกตุนีน่นั่นแหละปฏิสนธิกรรมที่แรกมันเกิดขึ้นเห็นนั้นยังว่าขวกชัดแค่และเศษเดือนมุ่นนี่แมงไหมนู่นเนี่ย ม, ม, มันเกิดขึ้นเพราะมันได้ขฝนตกมันจุ่มเคีื่นจุ่มเคลื่นอแนแตแล้วก็มันก็เกิดเป็นยิ่ง่ายเห็นนั่นยังว่าเขาอยู่บนหัวข้อนึงสี่งพอดีไผ่ไปหาเหามาใช่หัวโถมันขาดสังเกตบริบูรณ์นี่เลยตัวมันก็เกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นกัดเท่า เนยังเล่นยังเสี่ยย่างซีว่าให้ยังเสี LINKE, ยย um ่ยมันเกิดขึ้นโดยขาดทั้งซีมันสมบูรณ์เลื่อทิ้งเสี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันสมบูรณ์โดยขาดทั้งซีนีกาลังเสมอกันมันเลยเกิดถิ่นย่างขึ้นไม่เล่าเลยมากอามกความเพิ่อมกันไว้มันวันนั้นมคองมันเกิดนิสัยมันวันนั้นคลองเกี่ยวมันนิสท่านมันไปไปภาไหนมันเกิดขึ้น ก็สัตที่มาได้ดว้วยไม้นั่นล่ะมันมีศาตุทั้งสี่เสร็มื่อกันได้ไมโจมันมีความบุญมันธาตเท่านันออนมันเลาเกิดยิ่ากขึ้นห้องไปโยกออกเงาเๆาที่จะหมดนิดหน่อยที่จะมันนเขาไปให้ใครทันให้มันเกิดขึ้นกับอันนวดขึ้นมาอ่านมันบ่แม้นมันเกิดเกิดได้ไหมเท่าหร่นี่มันเป็นนี่ล่ะ นี่ละวิญญาณพวกนี้กับใคยง่ายขึ้นยังสนใจแต่ น, นาล่ะสัที่เกิดขึ้นมาทีแรกมันมีเอกาศยัตนะอายัตนะแต่ว่าทีาต่ตาเป็นท้องเกิดที่นี่สัี่เกิดขึ้นมาที่แรกมันก็มีเอกาศยัตนะนี่จะปากกินอาหารยังปลอกเดเดือนกาแฟบนมีตานี่มันเกิดขึ้นกันที่แรกเอง ว่าท่านมีผอมีแม่ที่นี่มันเกิดขึ้นที่แรกอายุมันโมยืนมันเป็นอยู่ไไรเพียงเทวันแต่ว่ามันตรองคำพันธ์ไว้เมื่ออ่นแล้มันเกิดในพันอายุยืนนั้นเดี๋ยวนี่เหตุอันด้วยเวทศนะนี่ปาฏิวัติสาพราะมันกินมันบโบกจับมันจะกลิ่นความมันอยากเห็นนั่นอะเรียกว่าเป็นความปาฏิวัมันได้เกิดให้มันให้มันกน ได้เป็นนเวเดชปะแต่ว่ามันเกิดเราสองธาตมันจะมีอันยศนาสองอย่างนี้ทีนี้เมื่อมันอยากมันไปกินได้เห็นได้มัน่โูกจักคือมันพยายากคูยจักไอเนี้ยแต่เมื่อมันอยากคูยจักแล้วมันตายจากศาสนามันเกิดเป็นอันที่ได้ทีอเจตนะมันมีตัวละก็มีตาละก็มีหู สร้างเสียงของจิตตัวเห็นและตัวจิตเนี่ยในแม่นยางเลยเลยเกิดขึ้นสั้นทีเดียเนี่ยนี่เราว่ามันเกิดอะไรสามชาติเราอะไรมัดสายเกิดมาจาบเกิดชาติเกิดวันมาเป็นหลายชาติเลยอนุโมันกันไปละเนี่ยที่นี้มามันรู้จักแล้วมันพันจักไปกินมันเนื้กแปลว่าเป็นความปรารถนามันเกิดอีกเป็นชาติที่มันเกิดนี่ยมูกขึ้นมาละ มื่มันไม่แกมวกเรามันกระชิมชื่อมันวูจักรถมันอยากผู้จักรรถมันเกิดปิลินขึ้นมาอีกล่ะเป็นศาต์ที่หาชีไปงีี่ล่ะพนี่เุดกรบอบริบูรณ์โดยอัญญตนาเป็นตร์เกลูจักรดีจักัลกจักหาจักอ่าหล่ะเนี่ยคือยจงปอกเพปอกไตทมันบริบูรณ์น่เป็นส่นี่ล่ะเนั้นสัตย์ใดที่มันไปจากข้น มันอยากไปหาจจ้าคนดอกกินนกกินนูอยากไปอาศัยค้นั่นเคยเกิดเป็นคนแล้วคณกินมันหันละแต่ว่ามันกะดีมันอยากเกิดกป็นคนถ้าสัดไหนเป็นผู้เกิดมาแล้วบกบร่องคนมันจ่องบกซัดนั่นแต่ว่าท่านเด็กเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นคณหลายชาตนั่นราท่านติดอาสัยคณมันย่งยาดมันยังบ่อยากมาอยู่ไก่ถึงฉันเพนาฉันผิ นี่แหละเหตุนั้นเราก็คว้นสันนิษฐานได้อนที่กะรูว่ายิ่งงานมันเกิดแล้วก็เพิ่มสิทธายแล้วก็มาเกิดมันว่ามันศูนย์มันนี่จะเกิดจะพืดนี่มันเองที่ละนี่แหะเตุนั้นเมื่อาภาคการมาแดงเงี้ยนในฝัง่งพระองค์ก้าวยังเล่เหตุฉะนั้เป็นเพียงไอแดงเงี้ยนในฟัง่งนี่เอาไปพิจารณาเรากระลูดันไปเราเอง อลที่สุดมันก็เป็นตัวโบเทียงฮลละเป็นตัวนักตาเหลียววิสัยอยู่ทังดัานล่าเป็นยังกะสร้างทำนี่แป่ว่ามันขอบโลกเลยละ่ะอันอนาศาตร์มมีอย่างในยู่เหนือมา ไ, ได้ยู่ยตจมันทางวัดมันขอบถึงวัดอันนี้จังเสียมันอยู่ใจอันนี้จังมั ด, มนนมดเป็นของเกิดขึ้นมาโ บ, าบาเทียงแต่ทางนั้นเนี่ยนี่แหละจนเราพวกเขาแข็งแข็งเป็นว่ายัาางไงเขามากมาเห็ดขนุนทั้งข้างปู๊ ขนุนนั่้าเรือหลาดยางลงวับนี่เหลือมันจะหมือดไปฝุ่นมันเที่ยงนี่แหละแผ่นดินแผ่ดอนกันนั่นหละเขาเห็ดเป็นขนนั่งส้างไปตัวริเห็ดในเห็ดหน้าไปตัวร์สิเที่ยงจะฟันเป็นปลาเป็นดงคา่าาดงแล้วไมาเห็ดเป็นหน้าหรือเที่ยงบันมีบนได้แบบเป็นของเที่ยงลงได้เป็นอะไรอย่างทางนั้นเป็นน่าจาทางนั้นม่นเราเป็ี่ยนดีจิงสิยังเวลาเราสร้างวันแรกกระไรเศษส้างบ่มห้บ่ให้เป็นเศษ้งที่จะหน้าอังกฤษแบบเด็กคว้า แล้วว่าเทสอนอยู่พร้อมเรื่อยไปจระนุ้เนี่ยน้องนันใบใหม่มันเกิดขึ้นเรามักกับผันคืองามเสียแบบมันแก้ถ้าเกิดงามอยู่บบว่ามันเหลี้ยมไปเราเอาเป็นจับขี้ไลจะเลรอถามันร่นลงมาเราผันแห่งขีไลเนี่ยนี่จะไส่ห้ใหม่มันนะโอ้ยไส่เสเอาแลล่ะเนี่ยมันยังที่อะมันเป็นของบ่อเทียงมันกระบอกเข้าอยู่มดนั่นละเหลียงใบหม่อู้เนี่ยเบิ้งได้เห็นนั้นพันตะพิแหน้าเลียงใบใหม่ในอลหันตอนนี่ คนบอกไว้ในหนังสือคนได้อรหันดยที่แหน้าเบีใหม่เห็นมันเสียงมันลวนมินที่ละคนไปไปพอดเราพ้นประกาศกันนี่เพราะว่าหายผ่าหรือเน้นบูุ่มส้นประมาทพาละหันเนี่ฉันประมาทแล้วนังสือิดาติานี่ยเนี่ยเป็นยังประกาศเราเขได้สงสัยมักผลถามข้าพระเจ้าได้ท้าพระเจ้าพอจะอธิบายซ้าได้ว่าจริงๆคนก็ถามกันว่าท่าน ได้ม ok ักฝนเพออาจารย์ได yes, ้สอนอาจารย์ใบไม่คนเราวันฝนที่แกหน้าเลยสาเร็จมากฝนเป็นอาจารย์โลกบอกครับขับเพราะเป็นภาษีของเราใดวันฝนที่แกหน้าใบไม้ไปกว้างเห็นอั่งย่างวางโอมคนไปที่แกหน้าไถเจ้าของไถเฮล่มันแนงได้ลาบากเห็นมักกีฮากเขากินยากไปบวชหากินง่ายลกนี้ไปบวชเอาสายเที่ยงไว ผลตกมากผคือทอดเล็กัดมากแค่เนี่ยผลกัดมา ก, กวอไปบ้านกำล่พอะคือพะไถหลักว่าไถามันติเสียสิอกสีผูดอกพอกกิ่ม่นนนีน่วอกคื อ, อยังิ่ัดไปบ้างทนฟันเห็นไถแล้งยังเป็นเอาไว้ยังเล็กยังสันบ่เห็นเสียกี่ัเอาไว้ฮนี่ยกูก็คือทอดมึงมากกูกลัวมึงติ คือหอดูแด้พอ่อเกี่ยดขีดเอาถางไปสั้งหุ่นเอาอันอันหากไปทั้างนี้ได้กตเป็นนอคุชิเมะได้จะเป็นทั้งสันนอตายแค่หลานคนที่ซื้อบอยากซึกหายทะเลเยูหันยูหินหน้าคนนั้นตอนอยากซึกว่าเป็นไรหรือพอนิกใจบ่ดีมากแล้ว ย่างไปบื้ไถจนเป็นท่าใส่ไปมามาๆหลายหนึ่งเลยวัเ่เพ้นได้เลยอาลหันไปถึงมู่ผาโงก็ไปรประกาศยังว่าพ้นยังถามว่าท่านได้อาหาันโดยอาจารย์ได้สอนอาจารย์ไถพเพืกอถึงเร็จหนึ่งสิ้นละยังว่าเท่ากับเียคือกันน่ะเทาโมจับที่จะหน้าเทาหลบแต่จะเอามาไถแล้ว่าได้อ า, หาลหันพ้นทุกไปงอน อย่งว่าพิหนามานั่นเนี่ยอันไหนมันก็เป็นท่าเหมอือนเนี่ยมันในมื่มันว่ามนเนจะเป็นจะเท่ามันเป็นอาณตามเป็นในในจังมอว่ ม, มีอะไในยื่นบนมันในยุ่นอกเนือมันไปได้ยุทุกย้ยอำนาจของทุกมดสามยางขอบอยูมืในโลกทั้งหลายว่มีอะไรในยู่หนกมนไปได้ยุทเหนือนไปได้บนมีอในวิกฤตเกินอำนาจนั่นไปได้เรเชียงทันั่น เป็นอำนาจว่เป็นตัวตนของอันไรทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยบางทีล่ะ้ายังว่าผู้เขาเข้าไปบางมาเห็ุถนนคนตั้งยังเข้าเก่าผู้เขาเราไม่ เ, มเหตุบกตร UNG, นเนี่ยขายวมงจเริ่มคนไปจางลงบุนมั่นเนี่ยมั่นก็เพรเห็นว่ามัน่นโกรธกลับทนได้ยังดไห้ไห้ได้ยังไดเขาก็ไม่ไามาเห็ุบุกรงทีล่ะมักจะสิมวด่าอันเขาพะจอนเ น, นี่ยบางทีล่ะ ปลาเหลี่ยงมันโบเทียงเหรอจังสมันจังบ้างได้สามารถเทียงมันจีบบ้างมาได้ีบมันโบเทียงตัวนมันจังบ้างได้จังท่านได้เนี่ยปลาดงฟงไผ่ผู้นี้กต่จะปลาดงฟงไผ่นองนั้นเกิดวันเฮ็ดถนนนอทางนูนนั่นเกิดจ่เสวเป็นดินปลาเนี่ยมันกับมือตาผลหือยู่เหท่างผลหรือปลาจันยุใสหลือไปทางจันละระเรียกว่าดงยิสหลือเป็นให้เป็นนาผู้นั่นผู้นี้เป็นเมือละระหรื่มีวันในเทียงเป็นของเก่าอยู่ยังเดิมนี่ยอนไหน เน่ยนี่มันเป็นของบะเทียงแล้วก็พี่จะมาไปให้มันลูกแก้มไปัเำรวจังที่ละ่ะผลอยู่สุดเราข บ, บวมีบอนคือวา่าเข้าสิตไปยึ ด, ว, ดว่าดีบันไหนเราห้ยเราไปพบเป็นขาตให้ยเราฆ่าโยู่หันหาเราคิดอยู่หันมันว่ามีเนี่ล่ะแน่นั้นแปลว่าเป็นสุขัดยังว่าใต้หิญญหรือพระเจ้าชุศร า, านาก ร, ร, ระเดลหันอยู่ปรสสาหรอ คนทราชการพกข้อบันทึกเพิ่นก็ะเดาอาหารเพราะมันว่ดคัดของกับการที่หน้าอย่างนี้เพราะอันไดมันก็เป็นอันนี้องสุขขัวัดเสน่หไหน่อยเพิ่กระูว่าเป็นอันนี้อางทุขเห็นนัาทั้งหมดเพิ่นไ้ว่างใดมันมีอันนี้ปกิจใหญ่เป็นให่เนว่ปขอไปหาหลักพระซ้ำหรือว่าไหนเพิ่กระเดาพันธุ์ผ้านี่นันจริงจเห็นนี่เราอย่ใส่เฮ็ดส็นที่ละเรียกว่าผู้เฮ็ดอะไรเฮ็ดศาสนานี่เรีว่ศาสนายในเท่าแล้วเพราะศาสนาได้แก่สิ่ง เท่ก eh. ับศีลอยู่ในเท่าของในเท่าแะไรเนี่ยเนสมาธิกับองในเท่ายังอธิบายให้ฟังเลยหรือไผ่เตห์เห็นอยู่บันไหนกองศีลกองสมาธิกันบอกอยู่ในคนเลยไปอยู่วันไหมีเนี่ยมันว่มีแล้วมันมี่แต่อยู่ในข้นทอานี้แล้วศีลสมาธิปัญญานี่ทอานี้เนี่ยนี่ล่ะยังว่าเมื่อมันมี่ตอานี้มันก็นี่แล้วศาสนานี่แหละเห็นในใจว่ามันมีอยู่แล้วแต่บ่ลูกยังสิเจษนะสอนให้ซ้ำหรือไม่สอนให้ลูกเนี่ย ว่มันนี่อยู่แล้วอย่าให้จำเนิ่นให้ปฏิบัติให้มันพิจารณาให้มันกำหนดให้มันรู้เนี่ยมันจะนั่งแนดินแทดอนตัวใหม่แน่นแน่นนี่เหมือนอีกห่าอันิสตศาสนาหมดผมมาอันนักพิจารณาความโตเอาวันนี้มาสอนได้ทั้งนั้นบวครับขอเนี่ยนี่แหละเหตุนั้นจะได้ว่าเมื่อหากเราพิจารณาอย่างนี้มันกระโสมคำพเดคาถาเะได้ว่า นามโมแมส่สพุท ธ, ธานังอุป น, นานังมาให้ชี้นั่งสันหังก a รโรมหาจิโรณาโมแ ม, ม, ม, ม, ม่ม่กเปรตเราณเรานนโมเปตานดันพุท ธ, ธานั่งพระองค์ทั้งหลายได้เนนภูเก้ยวผลญาติเจ้าหนาฐานาาน้ำดินเห็นั้นย่างว่าหลวงพ่อจงหมันผลว่า พระพุทธเจ้าสัสระโกกับสัรบจระโอยู่ในชนาตนิ น, น้ำช า, า, า, น า, นาดินนี่แล้วจจท่านเทศนาท่านเก่าทัดน้ำชาดินนัเขตและท่านแต่สัจสะโลกจนท่นเข่าึูนิพ่านมาตั้งเป็นท่านแปดเมืองที่พานมาท่านมาขันกัเอานเอาหน้าเอาโม่นี่ยมาตามนานนั้งเบนสีล่ะเห็นไหแค่ว่านาแต่ว่าชาตาิ น, าน้ำเ ข, าขนานานเ้าก็มนนี่น้ำทิศสองเลยนะนนาน่าแม่น้ำไม่ไหลในหนองได้นี่ย่แม่น้ำในองค์ไม่ไหลได้เนี่ นำในเฮ้าด้วยเนี่ยนี่นาดีนําเฉลี่ยจนไปถึงนํามันแค่ก้อนนำเหี่ยวเป็นที่สองเอาเป็นที่สุดเป็นที่สองนี่มันเป็นนี่เป็นผ่านน้ำทีนี่ธาตุดินยี่สิบได้แก่ผมคนเล็บไปหอดอาหารในเฮ้ากินเข้าไปอาหารเกาแล้วร่อยหายออกเป็นยี่สิบเนี่ยซึ่งกระดูกกระบงหัวคนเอาเป็นอันนึงว่าเอาเป็นกระดูกฟองหมดเป็นเป็นเป็นที่เศษไปเป็นอันนึง นับอันนี้เขาอีก ย, ยังได้เป็นมีสิทั้์ช่างมองในสบโบรงหัวอีกมันวัดแม่นน้ำแค่มันวัดแม่นจินอันเนี่ยแค่มันปนยู่หันพออันอีกเป็นอีกอันนึงอีกเป็นพิเศษนอกจากธาตน้ำกับดินดินนับเขาั้งพวานี่แลยเล ย, ยล เ, ลเป็นยี่สิบเนี่ยนี่แหละก็เลยเป็นพันคนนึงทั้งสิ้นหละเนี่ยทางดินแล้วก็เป็นงอกไก้หรือหมูมาไปไกลตัวนึง นี่ีล่ะแม่นมาโอพวกนี้ละมันไปเป็นตัวขึ้นะแล้วก็เลยให้ชื่อไปจ้างๆนอกจับให้มันหูจักเรียกันได้ถ้าว่าตัวอันเดียวมันไปจับที่แม่นหยังอยากเจาะกันนะเกิดกับ่ัญญึงันสบายสมมติว่าง้อซะจับหนึงกับสมมติว่าควายซะเพระว่าคนคือสัตว์ซะนั่นกับเป็ดกับไก่ซะบานทีล่ะหมูหมาไปซะเน่ มันจ้ากันให้ผู้จักว่ากันใหมันบองอยาบา อ, อยู่เนี่ยทานั้นถากเังซีเนี่ยมันเป็นไปถึงสมุดมันก็นหลายนี่แหละเมื่อถากเชงซีสมุดมันหลายชั้นใดถากเชงซีก็คือถากน้ำชิดสองถาก ด, ดินยี่บนันนี่ถากอาศัยก็ะบะนี่ถาก ด, ด, ดินหรือถากไผ้ซี ธาตุร่มหกมาปักมาอาศัยยูนย่นี่ได้เป็นธาตุทันตีพอมันมีธาตุอาศัยก็เลยเป็นของเป็นขุองขึ้นได้เป็นสัตว์ขึ้นได้ได้เป็นพรเจนนี่แหละเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันอยูยใ่ในใจอํา น, นาจของอนนี้จังผูกอันตร า, ศาศมัดบ่มีของเหลือไปได้เมื่อมันเป็นเจนนี่ทังได้ว่าธาตุน้ำเป็นคุนของแม่ธาตุเป็นคุ ณ, แ ม, คณแม่หา พ อ, อยัวในฟองของแม่เพได้กินเดีวอาหารต้องดูดกินน้ํนาเลือดงน้เหลืองของแม่ดื่มบารา์ดอนแม่ที่หอกจังได้กินเขา่าของแม่ป้อนกับพังพ้อนเขาหนะปากเที่ยวเอาเดือดละน้ำไล่ที่มันไปเคลียร์ับเขา่ากับป้อนเข่าไปแต่ ก, กินน้ำไล่น้ำมีน้องนัง่งกินน้ําร่องเข่าไปอีกเนี่ยก็เลยไปเป็นทานน้ำทั้งหมดเลยได้กล่าวที่สอง เป็นคุณของแม่หลังสี่ถาดดินยี่สิบเป็นคุณของพอ่อเฉวงวันเราอยู่ในเฉวงว่ายอยู่ในท้องพ่อก็หาหารในแม่กินเข้าไปชไปไปไปึมชาเข้าไปเลี้ยงไปเป็นรังไปกินลูกเมื่อหากะข้ากับมาพ่อก็หาอาหารให้แม่พ่ออยู่จ่วงสัน้นก็ได้ไปเป็นถาดดินยี่สิบเนี่ยท่านพูดอย่างนี้ ยังว่าคุ้นพอคุ่นแม่เราได้แกเฮาเฮาพะว่าพอว่าแมนตัวพอตัวแม่รอกตัวเล่าโควีลาเอาเราได้ไปกับเสือไปหาเอาจากนอกจากพอจากแม่มาทา้งหลามาเป็นตัวมันแมนของพอแม่ใหญ่มากเป็นยังว่ามันพอแม่ใหญ่เห็นไหมยังว่าว่แมงของเราดอกของยืมยืมพอยืมแม่มากมากใส่ยืมซื้อขันเปิ้นเจี่ยวขึ้นอะไรก็ได้ ยังคือว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเข้าตายว่าพ่อแม่เป็นเอาไปเอาของเขาคุณซื้อนะฮะน้ำเพิ่นเพิ่นกขว่ากันสิจะได้นี่ล่ะเตุนั้นเล่าปรวัเจ็ตของเร่าเจ็เลายืมสิล่ะบ่มันของยืมใช่จริงมันเ็นของยืมของยืมบอเป็นสะละเายืมกันยื่อยืมินของใส่มาใส่แต่ี่จะเขาชิมาถามเานี่อันนี้มาจากของยืมมันนีเขาชิมาถามเราคือแกสารนี่ล่ะบ่เที่ยงนี่ล่ะ มันขี้ถามเอาอยูุมาเท่าอยู่เนี่ยัยงอาจจะมาบวกอาจจะมาแบบมันไผ่ยากเขามาถามบ อ, อยุ่นเนี่ยมันเป็นขันนนน้นที่เราไม่ถามนี่แหละเพราะนั้นจังให้ภาคกันพิจ้าน่าอย่างนี้เป็นผู้บายของการปฏิบัติระมุ่เนี่ยใครจะปฏิบัติกับมราขังนที่ละขีจ้าน่ามันจังขีเป็นผู้ออกได้ยังขี้แบบเดือนนแหละค่ายจากความรักและความสั่งออกไปไหนขั้นทีสบายขึ้นมาได้ พอกวามหลักความตั้งเนี่เป็นพิษแแท้ไหเรายุ่งไหล่เทุกข์แต่แท้ไหเราหุเ่าเหนอแ่แท้เราขุกก็อ้างแแท้นี่นี่แล้วาพี่จนานาอังทีออกเราถึงว่าเล่าบวบแต่เราก็สบายพเราเยอะอาศัยที่สบมเมนเล่าเปลี่นฟูจิดยังจะเต่าหรือว่าเป็นของเราหรเป็นเล่าเนี่ยถึงว่านักบวบก็ตรงพีจ้านาชื่อกันยัง ว, ว่าท่านมีทุกข์เป็นท่านสิน้นีลก ากายานอยังสิเคเรมัคโคสิเคเรดูรความสิจูดทั้งนี้สุกเอก า, านี่เศนเดียวนั่นเอกาแต่ว่าหนึ่งเนี่ยกายานอแปลว่ารางกายนี่นะมัคโค่แต่ว่าธาตุเนี่ยมันแม่นทั้งเศนเดียวนั้นนี่สุกเนี่ยเพืเราอุ้มซี่จะแม่นทั้ทงเสศนเดียวกันดิจะแม่นกายมีตอนนั้นแล้วกายกับมันมี่ธาดินธานานมีแล้วมันเป็นกายอ ะ, ะนี่ยและกผืเลยมาพิจารณารงในนี้นั่นแล้ว ยังพระองค์พิกยาณ์ยงายงสิริวานวนามโมเมศนะโมกเปรว่านานามเมศเปรตว่าเลาเน่ยพระองค์ก็ว่าพระองค์ละ่ะนาโมเมศผู้พุธนั่งสัพพะแต่ละทั้งหลายผู้พุทธนั่งแต่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่นได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพิ่นมาลูนาลูโมก่าเมื่อไปรูปวันใดเนี่ยเพิ่นลูนะลูโมกเพิ่นอู่แก่งเพิ่นว่างใดเพิ่นเอานะเอาโมเป็นท่านสอนให้เพิ่น เป็นผู้นี่ความรูอันบ่มีประมาณใดเนี่ยที่ยังว่านโมเมสพพช้านั่งอุปัต น, นานั่งแต่ว่าเกิดขึ้นที่แกได้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใดโดยที่จนานาะที่จนา น, ะจนานโมโอมาเฮชีนั่งเป็น์ใหญ่เนี่ยตันังคารโอมหาอิโรซื้อพระพุทธเจ้าเลยท่านตันหังก่อนมาหาอิโรเป็นผู้มีความเที่ยงเกณฑ วีโรแต่ว่าเพี้ยนมหาแต่ว่าง่ายเพิ่นได้เป็น่ยนอะฟุติเจ้าหรือกมเพี้ยนเนี่ยเป็นที่ละเห็นเนี่ยจังว่าเพิ่นก็นยังที่กันหน้าได้เป็น่รนอะฟุติเจ้าได้พวกเราก็มีอยู่แล้วแต่เมาบอกให้ได้เป็นอะฟุติเจ้าแค่เพี้ยงเป็นเพี้ยงอาหาเจ้ากมบ่ได้เน่ยมันก็เรียกว่าเข้ามันเขากับว่าคมดินือะไรขมใส่ขมได้หลายเรื่องเพิ่นเห็ุใดเราเห็ุบ่ได้เท่ากันกับว่าผู้ใดหามีกยหาในแผ่นดินบ่ได้ชื้นมา แต่างมากคือนันนี้ว่ได้ขยั้นหาก็ได้เนี่ยผู้ที่จนก็เรียกว่าคนขีขคาดกันแล้วแล้ววัฒ น, นจนของอลไรนี่พวกเขามีหายัางมีอยู่นั่นจนขิขคาดจนโตขนาดละวัฒ น, นของจนจนจนของโตของโตจนโ ต, นตเนี่ยโจมขิดคาดโดยเห็นแก่นในแก่หิวถือในที่หิวเห็นแก่หล่อนแกหนาวว่อยากไปทํา ง, งาน แน่เห็นเจเรนแก้หัวว่าดีมันกระจนขนาดแล้วริ้นเสียแน่มันว่ามันของจนพ่ามัทับจนสมกับพระองค์ว่า า, าดิโดสมัดว่าจนทีสังอ า, า, าหูนะเปีวมากอาหูเปลยมากนี่อมโม่ขั้นชัสายชีวิตตางชีวิต่ัง่าชีวิตว่าเป็นอมโม่พระว่เป็นของมือมดว่าเป็นของที่อ่หายากเป็นจมันยากเยอครับตันาดนั้น ความรู้ตัวโบมี่ น, นั่นนึงตัวไปเชือเอาห่อนเอาหนาเอาเม็ด เ, เอาไงเย็ดไข่หน่อย ๆ, ยๆว่าตัวไข่หลายว่ไปเห็นงานทานาันหมักจ น, นันแ่เนี่ยนี่ดังว่าช่างคลาดทางังพระช่งแน่นท่างในซี่ในขาวกันกันผู้ไดเห็นที่รลจงโง่หลุด่บี่ความรู้แล้วว่าพลล้นหลับซุกอันกินขามาหลา ย, ยสายี่สสามไเสีื่นนะครับ เป็นว่ากินเข้าวไปมากเจตนาณเย็นบุจกวันมันเป็นยังไงล่ะพอมันโกรธฆ่ากิคาดฆ้าเจเห็นเจตนาดีเห็นเจเด่นเจของว่าดีมันกับว่าได้แบบวคาสารนุกุติเจ้าเนี่ยเนี่ล่ะคันทังงทั้งศาสนาก็เป็นยังงี้ล่ะโง่โลกบูชลาดต่อเห็นอาจาว่าเราต้องเป็นขั้นโมห้เป็นยังมันตัวนั่นต้องข้ามในตัวเป็นข้นดีตัวต้องเป็นผู้บังคับตัว เื่อว่าของทีดีแล้วรูแล้วกูว่าต้อนั่นฟ้าถึงต้องเ็ดมันคือว่าอยากเห็ดกระตานยังเสียอัตมาแค่เดียวเปลียนอยู่เสมอว่ามันม่อยากเดินโกมเรียนเอาบพรางนเดินดอกเงินเงนก็หักลบบล็อกขี้าัดบบวันมันขี้ขัเดินขาดซะบัานี้บล็ม่เดินนแล้วสัตเห็ดอีหลีเรื่องมันโอาก็้อเรื่อเล่น จนมันเน่ยฝัดขึ้นมายางหันลาเนี่ยนี่ที่ละอันนี้มันแดนซ์อแต่แดนบนโยากภาวนาโอ้โบโยักภาวนาแต่แดนซ์นี้ละกำหัวมึงคนที่สืดมันไว้อยู่กุชิแลนให้วยมีย่งประโยชน์ย่งน้อฝัดไปภาวนาเอาประโยชน์นะครับเนี่ยนีที่ละนอนลับไม่ขี้เกียจนั่งโยกไปหานั่งอิงขวาแล้วนั่งยิงพวกเสาแล้วอนามันใจที่ลพราะ่าภาวนาหระกมับขา นางยูือมันใหญ่อีกล่ะเนี่ยมุ่นแขงมุ่นขับอ่าโทษคเราใช่มันคือนางสายสิทธิ์สายบุญเยี่ยงโเนี่ยเพาะว่าน่าพราะว่าน่าสินราเนี่ยแห่งองค์สีเราเช่าละม่านนะมันเกิดมันยุ่งสีหรอบัให้มันยุ่งได้อำนาจมันเด้คข่มขี่เกียดวบวบวบเอามันเลยอเนี่ยมันกับจังไพรให้แดงมันสีละขันทีแปลามขี่เกียดยกสัญญาอยู่กันรวยบ่ได้นาเรืลองเลยอ่าไปจนยละ ไงก็มนี่ขันมาขีดเกียดเลยง่วงก็มนี่หนาอยากก็มี่เหนื่อยก็มี่เอาห้องก็มีไปหนาวก็มีมีทุกยางขเขอาอกขันขีดเกี็จเกิดจึงแล้วมีมา ก, กันมันมันรวมมามากันกันหมดขึ้นกันละเพามี น, นั่นเด้อ า, ามน ม, านะมันมีถึงมากนะนันเลมีคือโลกเนี่ยมทชียพ่อปันกันเรานึกขันเรากัโลกแล้วบัดไปขันยาลูก สีุ่ดเด็กยกตัวขึ้นยังนุ่มนุมก็ได้พอามันขีเกียดนั่นหนักมันให้เป็นโรกนัดใส่บอยากไหวเดือดแปดอยากแค่อยากสวนเป็นสระนั่นโรคเกียดมันไปตัวชีพคนที่สุดองานมันก็ไม่อยากทำเสรนแล้วมันติดนิสัยแตัวป่วยเสแล้วแน่มันขีเกียจป้มีตัวรอกป้มีแช่แช่แบบถ้าไปยินดีขึ้นแล้วหราบอกเห็นว่านี่เน้อี่เนี่ยละไปพืดนอก หากนี้เงี้ย่ยานสีพอดีเสียนว่าไส้ในบานในเงี้เห็ดมะดุกจักว่ า, าให้เรียใช้องลางไส้ปันดิจากการมัดยกบริได้ของงามนม้ำ ม, ม, มันเต็มพงบานนี้ยานไส้ใหมห่ลุดยกผูบหงมลาพลาดเชถิมเช็ไฟพผุดผุแห้งบานใ้มันนี่มขึ้นมันเยียดยานบานใ้สิเห็ดสีสีหลุดมัดชาสีค้านลุดโอ้อันนี้จาเห็ดบริได้กันนันน่นเนี่ยมันเป็นสีละเห็นไหมเช่ว่ามันพอดีหรอ ถ้าสุกเนี่ยี้ขาดบุต้องหันมันนี่เพดมันลดนี่ที่อะันมัน้ขนดนะเดินยู่กงแล่นเอาบันนียางดอกเลกขี้ขาะยางนั่นวันนี้มันแล่นดอกวางสิหันมันบปอย่างนั่งสมาธินั่งชื่อๆดอกบอกพาหน้าดอกนั่งให้ชื่อๆเป็นลักผที่สุดมันงอยเึิมาหนุ่ยมันสสายือมีเดือดตัวดีแ่ว่าอียังอาจะมาว่าไปแล้วนะล่ะเอาครับไปสวหน้าเออได้หอฮะเนี่ยเลมันล่ เล่ยขี้เกียจนางภอวนามันเล่ยเล่ยได้ภาวนาสุดนะงั้นที่แล้วมันเล่ยไปยุ่งทะพื้นมันขี้เกียจครับโอ้โหุยแป้นใสุ่ยสาดซุอเสียไปมันบ่อยากเหตุผมเหตุงั้ที่เอาแล้วโย่ให้มึงขี้เกียจลงไปให้มันเหตุข้อขยโยเหยื่อคือเขาคุบๆลงไปคูบอเหตดแบบอุติเอามาคักๆฟาดหัวถูไปซุยแป้เไปคือคือคือฮะให้มันใส่ะโงวเนี่ยครับ ดอกผึ sagen, no, ้คุณหมอบขุยหรว่าที่กาบมันกติดแผลกับพุ่เห็ดแล้วผลที่สุดมานหันกาบนั่นล่ะเนี่ยหาเรื่องให้มันมเห็ดได้สึ่งว่าหันล่ะผลที่สุดมันก็ะเห็ดเพราะฉนั้นแล้ยวมัสนะมันเดียวมันโบยอยู่ใต่อำนาจมันได้นหมว่เอามันยังที่ละเนี่ยเห็ดนั้นเจยังว่าต้องเป็นคนอนนิบายแก้ไขเพื่อเป็นของโกลด์ถมันเป็นยุคก่อหน้ามันได้ยังที่ล่ะมันยังได้ เหน่าสันหัวอมันเอายุสพึดเหล็กเฉพาะนามาให้กันยุสพึดเหลียวขี้เกียจขีขาดเนื้อหิวเอามากันยุสพืชเหลวเก็บป่วยเอามากันยุสพืดให้เห็ว น, นว่าอะไรอยู่คณะนี่ล่ะยังไงวะโคพนพีกันหน้มุนีมันยังระเป็นหนึ่งหนึ่งคนะกะโมงแล้วเปลนมันเหลืเปลี่ยนม่านอยอะนี่เนี่ยเปลี่ยนพญามัจจุราชอยูะนี่เนี่ยมัจจุแปรอ่าตกาย ราชะแบบไงนี่มันยังไงว่าประเจ้าเพชรดีไงหพราะใครพอดปาพูดที่เจ้ามันก็ไงก็คนญี่ปุ่นเองหารมันก็ไงกอยู่ปุ่นมันอยากสหารจนไปอะไรญี่ปุ่นพระอันนีมันกันันนี่ละอันนี้จังอนนาตานี่ละอันนาเจนน่ะมันเป็นถึงตายแต่ว่ามันบม่เที่ยงกานิจังตัวนั่ะอหละกนาตาตัวนั่นเน่ยบอกว่าไรมันหลบเป็นไปตามอำนาจของมันยู่จังสันเนี่ย อย่ามามั่นไปหนีมันบ่คคนหอกหนีอนาจารนิจังหนีทุกไปบุคคลไปเสกกระโดดจะมันะ่นน่ะแหลมนี่มันน่ะเป็นผู้เป็นเป็นผู้เหตุเหันเป็นอยู่อน น, น, น, นี่เราก็เลยเอามันพิจารณาจำฉันเหลวเอาเป็นดาบเป็นผักกันเศษตัดกิเลสปัญหาความหลับความสร้างความขาดออไปเลยฮะเนี่ยเอาเป็นดาบอันอันวิเศธดาบผักขันเศษเกี่ยววิเชียนพจนว่าเป็นท้นองตัดวข้อสร้างประคัตเขาก็ เอาเล็บท่อมัวสันกาก็เล็บท่อมัวสันจะเชี่ยนเนี้อกลิ่นมันกรหยิบบาดเฉยตามนุษย์กระยิบเตาขาดไปหูตาบอดตาจาหู น, นี่เราก่าองค์ที่เราเป็นนะผักกันเทศเอนี่อันนี้จังอนาสาวสุกเป็นผักกันเทศผาาทิชก้านานเอื่นเมันงุนไอไปเบิด์ปุดยเนี่ยไหนเห็นเป็นอันนี้ลงบนเราได้ปุ๋ทุกโลกบ่มีอันไหนสิมาก ขำอยู่ได้ชมปปปผลงานนามโมเมสัพพุทชนะงปพุตตเจ้าสร้างหลายชัติาติผู้นน่งเพรว่ามาพิจนานะพิจนามโมอุปบันานั่งเกิดขึ้นได้เป็นปปุตเจ้าขึ้นมาได้ไม่ฮินเป็นยัไงกลัวลูกได้เนี่ยงั้นใ่ละนอกจากจะว่าเป็นนามโมแปดกตามนาโมลโตสัมมาสัพพุทธสามฮิซิโน่เนี่ย กน่าโม่นั่นแหละเนี่ยอรหโตเป็นพระอรหันต์คนที่จะหน้าณะที่จะนามโมได้เป็นอรหันเนี่ยทั้นสิละแังว่านามโมอรหะโตสมาร์ตพระพุทธศาสากระพุทธเจ้าสมารแต่ว่าเป็นลูกพ่ามันเป็นั้นนี่อย่าน้นสาวว่านของตกระปกเป็นตัวฟุกเนลูกเขาเลยเนีเป็นพระพุทธเจ้าสมาร์แต่ว่าชอบมันนี่อยู่แล้วเป็นลูกสามมันอบเขาเลยบริเตกแดง ยังเข้าวมัดสวยังงามเรียกว่าแตงแปลงไปนั่นมันโเป็นไปตามมัแมนสวยยังวาเลาวาไปเหลวบัวแมนง่ามยังเข้าวาไปเหลวเพราวาดีนี่มันบดีเหลวมันเป็มยุของมันยังสันเหลวเลาวาไปวาไปจะเป็นเจ่าอาวชื่อหแล้ว่าป็นือตามเป็นยุของมันยังสี่เนี่ยที่อะมันจะมากระแตห้รูสามมันเป็มยุยังสั้นแล้วคนก็เลยว่างขึ้นเเนี่ยจะมาแต่ว่ารูกรอบ สัมผัสศรัทธาเป็นพ่อฟุที่เจ้าคุณมามาเทชีโกเป็นใหญ่ดอกนั้นเซิงฟราซามหากษัตริย์ที่เขาวง่ายๆอยู่เชงซีระเป็นเจ้าเดินเพดอนนี่ิงั้นผูมีหนะมีโม่ล้วเป็นพราซามหากษัตริย์ยับเป็นนัยกระสมุนทีผู้มีขาดดินขาดน้ำมีน้ำมีโม่เลวไปเต็นบนเีคยพักบนขัดินขาดน้ำไปเป็นเดยวเนี่ยมันชิงซีระเห็นเนี่ยฮว่าเป็นบวชเป็นเี่ยนกับเอาขาดดินขาดน้ำอยู่แล้วมาบวชเป็นพระเป็นเน่น เห็นไหมเนขาไม่พี่ว่ามันเอาอืนหเลา่าบวชเนี่ย้เอาพิจนาแล้วฮะเนมือเรากพนะนะ็พิจนาหนักพิจนามอกทุกคนพิจนาได้มากได้ผลนั่นแล้วได้เป็นไงนั่นแล้วจนว่าพระเจ้า็นา ด, นนนนนดินพระเจ้าจักรพรรดิแต่นีผู้มีนักมีโมกนีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นที่ละนี่ล่ะเหตุนั้นว่านะมันของหลายว่ามันของมากมันทับท่านอยูอย่เนี่ยสงกับเป็นว่าพระพุกลปัญญัติได้ อิกาใเกิดารพิ่นว่าชาปัญญที่โย่เนี่ยช า, ญญาตแญญา ต, ต, ญญาต่ว่ า, าหกคนเป็นญาติถําขึ้นเที่ยงแรกนี่หกหมวดมางทีโพงปัญญาฮะนี้พวกอันลูกศิษย์คนปัญญแต่วะอรหันบัญญาเทวศาบัญญามันกระจายขึ้นทนหลายขึ้น์จะโพงปัญญาเทีระอง์ลวัญญาเที่ยงหกญญ 6. มันยังลืหก ขันสาปัญญัติบัญญัต well, like ิขินเป็นขันเพื่อได้แก้ลูกประขันได้แก้ตนเท่าตนตัวเห่าันนั่งอยู่เดี๋ยนี้มีเวศหน้าอยู่ในมันเนื้อเนื่อยน่ะเข้าวาดยุ่เนี่ยมีส่วนน่ะเข้าวาสบายเลยไม่สบายมันมีอยู่ในหนีเป็นสองขันหนีสัญญาขันเข้าลูกจำทุกใจเท่าเฮ้ยมันกับพันยุนี่สังขานขันที่หาที่ซีมันอยู่นี่วิญญาณขันเข้ารูกกัอยู่นี่นั่งกองกันครับเท่านี้ที่ละ นั <łość> ่อนสัปัญญเป็นหมดที่สองว่าอัญตนาปัญติอญตนทายหกอัญตนาทนาหกร่วมกันดีอมันยังัานหกอ่าปยนั่งลตานาย่ไปแย่นั่งอัญญัตแต่ว่าตาาเป็นอัญตนอันหนึ่งเห็หของเต้าอได้เหนทับเป็นยุงสีละตัวตาอ่าไนั่งกหูเนี่ ถ้านายจะนั่งเด็กแคหมวกเสีหายจะนั่งเด็กแค่ดิ้นขาใหย่จะนั่งเด็กแค่ตายมานายจะนั่งเด็กแค่ไก่เนี่ยมันเอายืนีล่ะพับกันยืดซี่ล่ะของกันยืดซี่ล่ะเนี่ยนี่เป็นบรรยัติที่สองบรรยัติที่สามพลภาวะสัจจาปัญต <tr 10> ิส <tr ust> ัจจไปัญติยังไงเด็กแค่อาเดียสัจจะทั้งี่เม็นหยัางล่ะอันดียสัจนะทั้งสี่ทุกขัสัจหนึ่งเทมอทัยสัจหนึ่งมิโรสัจหนึ่ง มักกะัตมนี่อัน น, นี้ทุกกษัตริย์มนั้นยั้งละ่ะขาดควาเกิดเป็นทุกส า, ารภาพแก้เป็นทุกพยาธิแก้เคลียร์เป็นทุกมรณะต า, ายเป็นทุกที่ย่างเป็นสัจธรรมเป็นสภาวะธรรมบุแมนเป็นว่าอคิมนาคาธรร ม, มอคิรรมานาคาธรรมเลยแก่เราเป็นหลงรักลูกหรือสร้างลูกหลง หลักเสียงทั้เสียงนั่นแหลวะวะไปกินหนักถ้ำมันยู่ภายนอกแล้วออกมานนึกหลักหรือั้นขึ่นมันได้ขอกไปรอมอยู่ในเฮานั่นเรียกว่าเป็นถ้ำภายนอกถ้ำมันนี่ละถ้ำทุกอันนี้แกได้พระองค์สอนถ้ำทั้งหลายสอนให้แกทุกมาชางนอกนี่ละส่ะวน ท, ท้าวสารถ้ำเกิดชาติราพยาชิตมานาทุกนี่เพื่นในเสือลู่เทาว่ า, ายุดว่า้ว่าวเป็นเรา ให้เรเห็นมั่นเป็นความทุกข์ละบ่ได้ที่แกหน้าบ่ขาดอันี้มันเป็นอยู่ที่แกหน้าขานกัเป็นอยู่มันเป็นของเทียมยังที่เนี่ยนี่ละอันนี้ส่วนที่ว่าสมุทัยมันยังล่ะเอาก็สมมุิสมมุิตัวใหมผู้วเขาค้อนเท้าเตะไก่หมูหมาเงินข้ามผ่าพรอมพร้อมสบายเมินสมุทสรงหมดมันว่ามงนมันบอกมันบอกเขาว่ามันแงินเราว่าเงนว่า หาไปรามันเป็นไปได้เพราะมันเป็นถาดทั้งที่เข้าไปชุบมุดคือยังว่ากตาแล้วชุบมุดแบบข้อแบบสัตว์มันเป็นถาดทังที่ถ้นั่นถาดไปชุบมุดไปมันเป็นไปต่างๆกันเพราเราปูดกันได้ง่ายถ้าหูยับไปกันง่ายเอากันง่ายมันเป็ีนยังที่ว่าแม่นของี่ว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นถาดทั้งที่ช้องหิงมันมันเป็นของเบาเทียงเป็นตัวทุกขัวหน้าตาสิ่งมั่นยังที่เนี่ยให้เราพลิกหน้ากันยังนี้ นี่แนะได้ในทีว่าเป็นผู้พิจ น, นาเรียกว่าเป็นผู้อันญถมเนี่ยนั้ น, น, นมีบัญญัติที่สามว่าเป็นในสัจยปาปัญญติเรานองนั้นนิโรธประสาทใจเซ็ตพมพิจ น, น, นาลูแกนอันนี้ควันพิจนาเป็นหน้าปัญญานันเพป่นให้ชื่อมัคคสัตว์เราเอามัคคสัตว์นี่แหละก็เริ่มให้เป็นนิโรธประสารสมุทัยสัตว์มันต่างทุก มันไม่มาจากสมุทัยความสันหาสมุทัยคืออะไรแก้สั่หาความฮาว่าเราหลักเราสร้างนั่นแหะมันมน่ะให้เกิดได้สามมันได้เฮ็ดมันตามหลักตามสร้างนั่นแหะได้เป็นตัวตัวลูกขึ้นมาได้เป็นอ น, นิจจังเป็นทุกข์เป็นอนาาันตบบตเาเป็นตโลกบอบอกครับว่าขั่นตัอมผู้ใดเนี่ยมาเสี่ที่นอกนัาน มิโราสัตว์มันเกิดโดยมักกะศาัตรูปัญญาที่จะหน้าให้มากเรื่องขาดเรื่องขันให้มาานันเห็นแก้มีโรวว่างสมมติว่างว่ามันแ น, น่นผ่าต่อไปผลทีสุดก็เล้จะมีโ ร, าารขึ้นมาไรโดยความเห็นแก่โดยความว่างั่นเป็นมีโรบีโรดแต่ว่าทักทุกข์สมมติให้แต่ว่าเจริญให้มากด้อันมักกะัเจริญให้มากแล้วจเจริญ ม, มากาาาักกะศัตรูปัญญาให้มากที่จะหน้าให้มาก นิรโระสักก็เิดนเนี่ยมันกเป็นเล่านล่ะบัญญัติที่สาก็ดิทับกันย่นีเท่ากับคอยงัดคอยงานคอยแกะคอยไงยูให้มันเห็นมรณะนอนในพรว่าบัญญัติที่สินียาบัญญัติยักขุนยจรังเดกแกตาโตายาตนอันโซยักขุนารียงเดกแกตาโซินาเรียงเด็แกหูอีกล่ะบัญญัติทับกันลุงสี่ล่ะที่ซีนหรือที่าเนี่ย เี่นี่จิตสาวตาพุกกระลังพุคลาปัญติปัญญิเป็นค้นเวลาไหนจิตสาวตาพุคลังพุคกลาปัญจีพุคลังกบเหล็กพุกขในเด่ะปัญญเป็นขนไปเลยนะนัมมันยามโตเป็นคนสมันีมุโตสัมมัีมุโตเป็นคนวิสัมันเป็นคนสัวีสัมันเป็นแค่ขาดจงเจี๊งนั่นบรรณดอกไปเนี่ยทั่นล่ะนี่พระพุคลาปัญญิเป็นในคือ ่าบัญญัติถ mm ้ำ hmm. ขึ uh ้นวกหมวดมันเราบัญญัติขึ้นในเฮ้ากองกันอนญาอังศีแล้วเดี๋ยวบิวดใดเ็นยังไงล่ะมาเล่บัญญัการนั่งขันกันด้ี่บัันดัิันขันใดขันขันบ๊อกัดอนี่อังศีล่ะเห็นง่ ยาสีวาบอมนี่ถ้ำยาสีวาบมแมนเล่า่บอมแนถ้ำแมนแมนค้อนเยาวาหาเลยสางเอาละสางอันนั้นเป็นค้อนเพราว่ามันมาจากผู้ส่วนนะผู้นี่ผู้สวนอผู้สนมันแมนถ้อยู่เนี่ยเดี่ยวอาย้ว่าเป็นถ้ำสั่บ่เอาผู้ส่วนนะผู้สนเป็นถ้มนี่มันมาจากผู้ส่วนนะผู้นมาหายป็ดตัวเลาผู้ใดป็นผู้มีผู้สวนมากลูกล่างกะดีทรัพย์สมบัติกะหาได้บริบูรณ์ โลกไผ่กับบม่มีปัญญากระเสียบแหลมผู้ใดมากจากผู้สนนั่นนี่ผู้สนมากผู้ใดเมียผู้สนมากรูมต่ากระเสียวีบัสไป็นตัวที่บอลฟีบัสกับวอสวยโบงามละโรกไผ่กับมาทัพย์สินกับนหาบไหรี่ละพราะกำมันมาไอผลที่เราทํามาไม่เป็นส่เป็นยังว่าเฮาอยากอะไรดีจังว่าให้มีศินเป็นเครื่องกันไหวเพราะว่าการกันกำอยู่ย บ, บ่มันอันไม้สิดกำได้ดอกกัน นี่แค่ศิลท่านแลวกันได้เหมือ <Okay. S 1> นยังปุกคน้นภูมีโทษหิไปยืในหอบหอยพวกเขาย่งเขาเป็นข้าวมัเนเไปยื้อในภูเขาได้สามเพราะเขาหน้านไปสังหารมีไพ่อยู่นกล<ม>างหลบงคนจะไพ่ขั น, มนมูมีศินนี่ถ้ามายุกลางทงก็ไม่ใช่ไปเบียดเยียนมันศิลทนมันเป็นของกันกันให้ได้เหมือนกับยิงกับภูเขา <S <S พระอค์ที่นี่ล่ะเห็นอัจาว่า เมื่อเล่ากันจังที่ใดก็โทษเพื่อนเขาทํา ม, มากเขาบ่าําำเนอได้มนก็ว่าอะไรไอ้ผลแล้วะ ล, ล, ละไปเบียงนาก็ชาวากาะเร่าสัางพอบดีเสียเราจะสา้ า, สางว่าลูกอจากสั่งว่าหวังว่าไอ้ลูกตัวดีแต่แมนวหวังว่าตัวนี้ปัญญาเสียแหลมกตแมนวหวังว่าตัวบริบูรณ์ในทรัพย์แต่เบียงนาแตแมวหวังว่าตัวบว่มีหลกวิ่งไปเบียงนาก็แมนรบแมนทุกอย่างเนี่ยพอ่าเราบ่นี่เหตุผลเสียเราถูกหรกแไม่นี่มันเป็นที่ นี่พระองค์สอนให้เว้นในแจ๊กเก็เลยเนี่ยเว้นกรรมเว้นไปจักรโลกสอนอย่งแจ๊าเป็นมนุษย์ว่าให้มันถึงตายขันพิษกรรมที่เรามันบกฟังเราละตายไปมันต้องไปนรกแท้มันต้องไปเป็นเปรตแท้มันต้องไปเป็นขดวิบัตดไรสัตว์สร้างแท้เนี่ยไปงี่เงี่ยวันเท้าบริเวณในแจะไกลตบรรเ้าใกล้แล้วมันแก้เพท่านมั่นเราไปเป็นไห่ได้ทั้งฉันละนี่ล่ะเหตุนั้นจงให้ภากันสร้างใจที่ชนา มันเห็นแก่คืนมาในใจให้รักษาตัวด้วยหินด้วยท่ามันจังเป็นพูว่าได้ของแข็งยังว่าสีร่งกับแปลว่าหีนสีลาบแปลว่าหินหีนมันแข็งเสมอหินเหมือนยังพวกเห็ดกําแพงเอาหินมาแช่คนขีดเห็ดมันเป็นแข็งแข็งกว่าเอาใหม่อยังเห็ดทั้งนั้นเนี่ยเล่าก็ได้หินนี่เป็นเครื่องกําแพงต้องกันโทษ ป้องกันกรรมว่าให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นของได้ของแข็งแข็งตึ้งตึงป้องกันมันก็เรียกว่าบ้อมมีไผ่นี่มันงรี่ยังว่าสีร่างแปลว่าสีสีลาแปลว่าหินมันแข็งมันกันอย่างนันี่พูดไปทังที่นี่ล่ะเห็นนั่นยังเราอุ่นใจอยู่เดี๋ยวนี้เป็นเนย่างจะเข้าเป็นผู้ยุไรหินโดยท่ำหันผู้ใดมีโทนหลือเอาเราพวกะเพว่ามันขาดกันได้ห่อนย่หันล่ะสายละพู ก็เงินรอกกูเป็นเขาได้มากฮะแม่นะ น, นอกกูอยู่ก็ยังซานละ่ะหมมีศิว่าดีดอกบาดห้าค้นพูดกันเพราะว่าข้นกัมกนบม้อยข้นเพรผู้ร้ายว่าเป็นข้นหัวสูงมันหมแมันข้นหัวสูงแล้วน่ะมันหัวหมอบเลยคันเห็นเจ้าหน้าที่มาเห็นผู้ไม่หมอบปั๊บเดียวแรีนลิวิสไปหาหมอบที่วัดได้ว่นหนึ่งเดียวมันหัวจำจนน่ะเข้าเลยเป็นข้นหัวสูงเขามีศิลมีภาพเข้าหัวสูง อยูดิษฐ์กายไปหาสัมเห็นเกี่ยวเห็นนายมากเห็นเกี่ยวนาคีมากไปหาสัมถามเข้าวๆกันซํานั่นเข้าวอกีโพนไม่หลุดไปไสไปต่ใดวกอัดกล่องนี่ใช้ยูดิเนี่ยมันยังตีละยังว่าเข้าเป็นคต้นมีชิ้นไม่ซําเป็นต้นหัวสูงเนี่ยเป็นต้นบกหวัดขัวบอกขั้นขา้ามกลาเคลื่นกลางวันเจ็ดห่อนหนาวเจ็ดนั่งยึด ม, มันห่อนนั่งยึดมันกระดานกะ็ะไดคนนึกว่าใช้ชิมาขาเข้าเนี่ย พอวั น, ด เ, นดเด็ไปีเรียนยังไหมเนี่ยสบายยิ่งสิล่ะยังว่ายุกเป็นแฟนก็คือยังว่าเอาต้าแท่งหินมาอ้อมอย่างกันเนี่ยจังว่าหินมีท่าแลว้วพระพุทธจาสามข้อดีช่สตัวไปยังอธิบายไม่แล้วนั่นนังน้งนันนี่ละ่ะถึงพระพุทธเจ้าจะได้ด เ, เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเขเอาหินแล้วท่านนี่แล้วจังว่าเปนว่าธา น, ะะนุบาลมีสีราลมีมุนลานั่นนี้ยงว่าธาน อาชรพารามีก็บสองอาเซยท่านเป็นครือขุมผันว่าท่านอยากเอาบอาบสละในการคาจัดเชื่อเข้าระบบได้สินแล้วบอสละในการอยากได้ของฟุ่นนี่เข้าระบบได้สินแล้วเราก็ตจองสละหนึ่งแล้วแต่ว่าท่านนั่นแหะมูเนสละเพระาะร็จตามมันอยากได้แต่ว่าท่านมันจะไปเป็นสินเห็นไหมเชื่อว่าท่านมันอยู่กับท่านมันเป็นร่วมเวลาสิน เนี่ยอันนี้แปลว่าท่านขาอางงานงาบท่านเอาของขาพร้อมเท่าสบามาอีกพนหนึงนอกจากศีลเนี่ยยังมาให้รับศีลอีกมันเป็นคนแหละแนวคันว่าทั้งท่านกันจริงๆจนว่าเป็นพวกนักบวชนะเนี่ยอันเดียวกันล่ะท่านกับศีลมันโรแมนต์ท่านนี่ยเรามาให้เป็นถศีนมาให้เศีลภาศีเน่นเป็นนักบวชกันอยูน่นะมันเป็นสิที่นี่คันว่าศีลก็ดี สี่ละาลามีเนี่ยมาภาวนาเป็นชื่อว่นี้มาแต่เจริงมันเนี่ยค่ภาวนานเป็นของละเอียดเนี่ยขมันแต่ว่าละเอียดแต่ว่าุกขุมแมนภาวนาบนมีนอื่นแล้วก็เมีนเอาใจเห็ดเป็นบ น, นละละเสขข้นตัวละเอียดแท้แ้เนี่ยทุกขุมแท้แทบนมีตาจะไปเห็นน้ำในเแลวแต่ไม่เจ๊ใจจนลูกใจยิงมันซุก ข, ขุมแท้เนี่ยเป็นว่าเนี่ยมาแต่ว่าซุก ข, ขุม เนี่ยมันเป็นสิละมันลราแมนอยู่ในเฮ่านี้บาลานีก็ดีมันดนเสี้ยไก่กัดเจี๋ยเราอยู่นี่ล่ะเห็นไหมเชียงว่าเราจะไปหลงไปอือนกันไปหลงไปนั่งหนังสือเก้าเหลยมันกับแมนคขาหลงซําราเนั่นเดียพอควันกันก็ต้งเข้าใจว่าแมนอย่าอยู่กับซําร่าหลุดไปอ่านจะซัมล่าปัวกันเนี่ยเดีวปัวได้เชงไหนเอาอันเท่าไรมันก็บ่หายหลุดเพราะบ่ไปหาวนหม่ตามซําร่าบอกไปผัวเนี่ยเราเป็นผู้เป ลูบกำล่ารวมเนี่ยมันลูบบ้านบ้านท่นจะแท้มันก็บอเห็นบ้านติแก๊สถูกออกของเราแล้วแล้วอยากพ่นมันก็พ่นอะไรที่กันเถอะนี่แหละเป็นเทว่าอธิบายนามโมเม้านามธาดินมันก็ไปหลายสี่ล่ะจั่างว่าเพื่ออธิบายไปจวทนเป็นท่านแปดมือที่พระมาทำขันขันก็ได้สุนกรภู่มากเห็นเนี่ยข้าวที่เอาไปยิงชันมันก็กว้างขวางข้าวก็อยากพ่นทุกข้าวก็จังหา ความน้ำหาว่มันแฉบแหละดีมีเจียงว่าอธิบายว่ามันแฉกกันเลยให้มันควมกันง่ายๆ่าให้มันเฮ็ดกันง่ายง่ายๆเนี่ยเนี่ยเมื่อได้เฮ็ดเจรณาเมื่อตอนนี้ไม่เลยเลยแล้วหอยทากกันตั้งไกจุดยาไปพิจนาอยากจะว่าเฮ็นเจรนาแล้วไปแล้วอยากจว่ามันโบแล้วอยู่ในเข้าอันเข้าบริษัที่พิจนาแล้วก็เลยเปิของโบแล้วอยู่หันแล้วเราวาทันลูก เล่าทีว่าแล้วของไหนเขาว่ารูมันกับมันกับอุกาแล้วมัต้องรูเนี่ยมันยังเล่าเหตุงานแล้วเหนน็ุในหน้าแล้วเราต้องออกเขาคุณเราเรียเสียงว่าเขาโบใจไปหน้าอันนี้คือกันเราต้องรูแล้วเราเป็นผู้บวชวงแล้วมันจ้งแล้วว่าเป็นผู้เหตุแล้วเหตุสินยเหตุทแล้วนี่เห็นไหมจ้งาเหตุจังขี้อะไรมันติดสินห่วงกินอะไรมันติดปนพุกเมืออ่อในเงี้ยในฝั่งเพื่อฝ่งการจดจํ า, า, จาจไปจดกอง ไปเฮต์ไปทับหมมันแล้วจะได้เห็นว่าผู้ยุวยความเมตตา่าได้เห็นว่าเป็นผู้เป็นบุญยุติ้องส่วนยุติชุกเมือ่อจะมีความสุขความเจริญยุติน่วนชอ่วติการทังได้อธิบายมายุติที่ขึงนี้ไปก่อนท่านเป็น น, นี่ละอย่างว่าส่วนโลภโสดาเนี่ยมันอยู่เข้าใจมันเป็นเืดอันละเอียด ไม่นี่ไข่ผิดแกูกเหได้ง่ายส่วนเหตุ